บทที่ห้าสิบเกเสียงแผดแหลมตะโกนเรียกหานามรพินของดารินสุดทายกล้องกลายเป็นเอราวพรายเป็นคลื่นเสียงแตกซึมไปทั่วทุกบรรยากาศและณนะบริเวณเดียวกันนั้นเองเสียงตะโกนเรียกนามระพินก็แผดกล้องกังวานไกลออกมาจากใครอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ต่างต่างภูมิประเทศและต่างเหตุการณ์เท่านั้น ส่วนความรู้สึกภายในนั้นจะตรงกันหรือไม่ฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นจะรู้ได้ถ่ามกลางไอระอุ ข, ของเปลวเพลิงที่โชดตะการลามทุ่งอยู่และทุกคนในคณะกำลังนั่งจับเจ้ามองฝ่าไอา ร, ะระยิบระยับเข้าไปจากแหลงนั่งบนเนินพักเนินสูงที่เปราะซึ่งปลอดภายออกมาแล้วคริสติน่ากรูวิลผู้ยืนจ้องตาสีฟ้าเบิกโพรงเข้าไปในท้องทุ่งกาลังขยายวงไหม้ด้วยพระเพลิง กินแดนกว้างไกลจนดูเหมือนจะหาที่สิ้นสุดมิได้นั้นอยู่ไม่อยู่ก็ตะโกนเรียกนามเข้าออกมาจนทุกคนนั่งเงียบพากันสะดุ้งถ้ามีอํานาจที่เหนือธรรมชาติจะมีเครื่องมือจับคลื่นเสียงได้เป็นพิเศษก็จะพบเลยว่ากระแสเสียงตะโกนเรียกนามระพินลอยมากระทบและบรรจบประสานกันเหนือบรรยากาศอันทุ่งนรกนั้นซึ่งวันนี้กลายเป็นสันดาบแห่งความร้อนไปเสียแล้วคณะที่พระถอย ห่างจากบริเวณทุ่งลามไฟกินอนาเขตกว้างไกลได้มาหยุดตั้งหลักกันบนเนินเขาหินแห่งนี้เป็นเวลาล่วมครึ่งชั่วโมงแล้วเช่นกันนับจากต่างทุรนทุรายพระนี้ความร้อนหนีการถูกย่างสดกันออกมาได้อย่างบูดวิตจวนเจียนโดยไม่ปรากฏวี่แววว่ามาคุเทศนำทางจะโผล่ตามออกมาให้เห็นและแม้ว่าทั้งแซนลีย์และคิดจะใช้ชุดกันความร้อน กับเคมีดับเพลิงซึ่งเป็นชุดประกอบของการกู้ระเบิดนิวเคลียสบุกตามเข้าไปค้นหาก็ไม่สามารถจะพบแม่แต่ซากของเขาจนต้องพระกลับออกมาเพราะสุดที่จะทนทานความร้อนต่อไปได้นั่งพักทำอะไรกันไม่ได้เลยนอกจากมองอย่างสิ้นหวังไปยังทุ่งที่กลายเป็นทะเลเพลิงไปหมดแล้วเดนนิสนตัดสินใจอย่างไรไม่ถูกแล้วจูจู๊เป็นนักเคมีฟิสิกส์สาวประจาคณะ พุตโกนเรียกนามบุคคลที่ทุกคนกําลังรอคอยอยู่เช่นนั้นทำเอาพักพวกทั้งหมดรานคลุ้งใจของลาพินและพวกลูกหาหันขวับไปทางหลอนเป็นตาเดียวคริสแซนลี่คีตและเชิญวุฒอุทานออกมาอย่างตกใจเพราะเสียงนั้นดังมากเหลือเกินดังผิดปกติอย่างประหลาดล้ําเรากับจะเข้าในเครื่องขยายเสียงสักหนึ่งพันวัตต์ก็ไม่ปานเมื่อหันมาพบเป็นเวลาเดียวกับที่คริสตินาพรุนพลานแล่นออกจากที่แล้วตอนกำลังจะวิ่งลงเนินตรงเข้าไปยัง ท้องทุง่งติดไฟที่พระนี้กันขึ้นมาเสียงแซลลี่กับคิดเออโวยวายแผ่นพวดลุกขึ้นแต่เชิรดวุดไวกว่าขณะที่คริสวิ่งผ่านครเขาในฐานหนุ่มก็ยื่นขาเอาไปสกัดไวลิสสะดุดล้มกลิ้งลงเชิรดวุดกระโจนก็ตกคุก ต, ตัวแล้วกดลงทับกับพื้นตะหวาดลั่นริสจะบ้าแล้วเรื่องนี้คุณกำลังจะทําอะไรมั น, นสะบัดดิ้นสุดลิสแผลร้องออกมาอย่างหมดสติว่าทุกคนไม่มีปัญญาแล้วลุ้นทาไมไม่ทําอะไรสักอย่างนั่งดูกองไฟเผาคนทั้งเป็น แล้วก็ภาวนาสวดส่งวิญญาณเขาอย่างเดียวงั้นหรือปล่อยฉันจะบุกเข้าไปเอากระดูกเขาออกมาให้ได้ขณะนั้นแม่าวเร็วแรงของแม่ผมทองมาจากไหนร่อนฉีพเชิดรูดผงะร้อยหลุดจากการคล่อมทับอยู่บนตัวแล้วเอาไปตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาอีกเมื่อ น, นั้นสแสตดีและคริสโผล่เข้าสมทบพร้อมกับเสียงร้องลั่นของเบลที่สั่งเบลล์ปือว่าล็อกตัวคริสไว้ยเขากําลังหมดสติถ้าหยุดไม่ได้ต่อให้หลับหน้าคณะเล่นในพันเอกแห่งยูเอสอารมียึดแขนคริสตินาไว้คนละข้าง แต่ขนาดผู้ชายล่างใหญ่สองคนยังจับแทบหล่อนแทบไม่อยู่คริสติน่าร้องโวยวายอย่างบ้าคลั่งอยู่เช่นนั้นสะบัดดิ้นหล่นเต็มที่จึงส่วนเซลูและเนนกันไปบะมาระหว่างคนจับกับคนถูกจับและมีอาการเหมือนกับว่าชายล่างใหญ่ทั้งสองจะจับไว้ไม่อยู่เพราะคริสแรงมหาศารซ้ํำยังพิสูจน์ชัดออกมาบัดนี้ว่าหล่อนชำนาญในด้านการต่อสู้มือเปล่าชั้นครูทีเดียวเมื่อนั้นเองเบลก็ปาดเข้าไปสกัดหน้าไว้หล่อนถูกทีป แต่เมื่อเพื่อนสาวผมแดงซึ่งดูว่านุ่มนิ่มอ่อนแอที่สุดในขณะนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นอีกเช่นกันว่าเมื่อถึงขราวจําเป็นขีดสุดหล่อนไม่ใช่คนที่จะเป็นไม่เป็นอะไรเอลเซ่เลยเบีย่ยงตัวหลบฝ่าเท้าของคริสไปได้อย่างบุดวิดและวปราดเข้าประชิดด้วยระยะหมัดช่วงสั้นก็เข้าที่ปลายคางของแม่ผมทองในลักษณะสุ้งวิงเข้าทางด้านข้างเาะเดียวคริสที่กําลังดิ้นฮึดทัดอยู่หน้าสะบัดหันเข่าอ่อนล่วงลงทันทีแต่ไม่ถึงพื้น เราสเตนลี่กับคิตจับปีกคิ้วอยู่ลากไปนอนตรงนั้นเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะฉีดยาระงับประสาทให้เขาริสครุ่มคลั่งลืมตัวไปเสียแล้วเ็วสั่งเร็วปรือด้ยาระงับประสาทหลอดเล็กๆที่เบลฉีดเข้ากล้ามเนื้อของคริสอย่างระมัดระวังและด้วยการใช้ผ้าขนหนูลาดน้ําจนเปียกชุ่มประคองซับเช็ดไปตามใบหน้าและซอกคออย่างแผ่วเบาของเชิดวุตรโดยมีสเตนลี่และคีตคอยให้การช่วยเหลือร่วมมืออยู่ใกล้ๆ จึงชั่วไม่กี่นาทีริสตินาก็รู้สึกตัวขึ้นมาด้วยอาการสลึมสลือหลอนลืมตามองทุกคนไปรอบๆเหมือนจะลําดับภาพเชิดวุฒขย่าไหลเบาๆริสเือรู้สึกยังไงบ้างฉันฉันเป็นอะไรหลอนขยับตัวลุกขึ้นซึ่งพักพวกก็ประคองให้ขึ้นมานั่งบังเอิญขณะที่หลอนพงโงกตัวขึ้นมานั่งอยู่ในทิศทางที่หันหน้าลงไปเห็นไฟที่กําลังเต็มทุ่งไปหมดอีกคริสจึงขยี้ตาจ้องขมิง เบลรู้ถ้ามาก่อนแล้วยงรีบนั่งคุกเข่าบังหน้าเชเอามือกดไหลอันหน้าไปทางอื่นคริสเสียมองไปทางนั้นไฟมันยังไม่หมดหรอกพรานนำทางคนนั้นแม่ผมทองพุ่มพามออกมาจากลำคอแห้งค่ะยังมึนมึนงง ง, งอยู่เขาอยู่ที่ไหนพรลออกมาได้หรื อ, อยังหรือว่าใครได้ข่าวยังไงบ้างฉันเป็นอะไรนี่เหมือนนอนหลับแล้วฝันร้ายไปงั้นแหละเรากาลังอยู่ในสถานการณ์เดิมคริส เสียงห้าวของหัวหน้าคณะดังมาแต่กอบไปได้วยความปลอบโยนปราณีคือพวกเราทั้งหมดหนีไฟที่ลามทุ่งข้างล่างโน่นออกมาได้ประพินหายไปอย่างไม่มีร่องรอยและเราพระหนีไฟขึ้นมาอยู่บนเนินลูกนี้รอฟังข่าวเขาอยู่พวกเราทําอะไรไม่ได้พอดีไปกว่านี้อีกแล้วส่วนเธอนั่นอาจเหนื่อยอาจร้อนมากเลยเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง ฉันเป็นลมหมดความรู้สึกไปลือล่นคลางลำดับเหตุการณ์ยังไม่ถูกนะและดูเหมือนจำไม่ได้เสียแล้ววะก่อนนี้เพียงไม่กี่นาทีต้นอยู่ในสภาพเช่นไรพร้อมกันก็เอามือปาดเบวผู้นั่งประคองใบหน้าอยู่ให้หลีการบังหน้าออกไปตามองโพรงงไปยังทุ่งไฟเบื้องล่างอีกไฟล่นขยับดินฟีปากหมุบหมิบมันร้อนแรงเต็มบริเวณไปหมดแล้วเหมือนเหมือนนรกพระเจ้าใครก็ตาม ที่ดอยู่ในนั้นต่อให้ตัวเขาทำได้เหล็กก็คงหลอมละลายหมดแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวซึ่งเมื่อครู่ลืมสติไปชั่วขณะครั้นเมื่อฟื้นขึ้นก็ยังประติประต่อเหตุการณ์ยังไม่กระจ่างชัดนัดมองไปทา ง, งาหัวขวาน่าคณะอาจารย์คะนี่พวกเราจะไม่ทําอะไรกันเลยหรือเิดวุญที่ยับปากจะคิดบีบแขนไว้เชิงไม่ให้พูดมากบอกท้าความอะไรแก่แม่ผมทองทั้งสิ้นในเหตุการณ์ที่หล่อนคลุ้มคลั่งลืมตัวไปเมื่อครู่นี้ ในทาหารหนุ่มจึงหู ป, ป า, กหากแต่จับจ่ อ, อกับกริยาของหล่อนไว้ทุกขณะไม่แน่ใจว่าจะเกิดวิ่งพรวดพราดลงไปอย่างเมื่อตะกี้เมื่อไหรตัว เ, เองก็เคยอยู่ในสภาพเช่นนี้มาก่อนและสะดุดชะงักเม่อถูกจับยั้งลงได้เพราะด็เตอร์สแตนลีย์ต่อยเอาจนล้มควม่ำและเธอคิดว่าเราจะทําอะไรได้บ้างในสถานการณ์เช่นนี้ฟิสซิ่งซึมอย่างน้อยยาระงับประสาทก็ช่วยยับยั้งหล่อนไว้ทุกคนเงียบงันไปหมด แต่สังเกตดวงกับกริยาแล้วคริสคงจะไม่บ้าระหำลืมตัวทำอะไรที่เสี่ยงชีวิตตัวเองอยู่เมื่อครู่นี้แน่อันทำให้เบาใจลงได้บ้างเขาตายแล้วตายอยู่ในกองไฟที่หนีออกมาไม่ทันนั่นภครหลังจากที่ช่วยพวกเราทุกคนออกมาได้แล้วหลอนก็เอ่ยออกมาอีกอย่างแผ่วเบาเหมือนจะกล่าวกับตนเองอย่าเพิ่งด่วนลงความเห็นชก่อนเดี๋ยวนี้คิดกล่าวขึ้นลึ้ม ตบที่ไหลของคริสติน่าหนักน่วงมาจากเบื้องหลังตราบใดก็ตามที่เรายังมองไม่เห็นชัดกับตาเราตัดสินใจกันแล้วคริสว่าเราจะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละโดยไม่เคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ้นรอจนกระทั่งไฟซาหรือมอดลงไม่ว่ามันจะใช้เวลานานสักเท่าใดแล้วเราจะลงไปค้นหาเขาอีกครั้งหาอะไรกองกระดูกหรือร่อนถามเกือบจะไม่มีเสียงทันใดนั่นเองทุกคนก็สะดุ้งขึ้นพร้อมกันหมด เสียงวิทยุประจำตัวที่ต่างติดเข็มขัดอยู่ปรากฏเสียงออดเรียกดังขึ้นทุกเครื่องจากกระแสคลื่นที่ถูกส่งมาบังคับอันแสดงว่ามีวิทยุประเภทเดียวกันอีกเครื่องหนึ่งส่งสัญญาณเรียกมาด้วยระบบคลื่นเสียงกระทบสือ่อเฮเสียงคีดร้องลั่นออกมาพุมลงมองดูวิทยุของตัวเองแล้วปลดออกมาดูโดยเร็วโวยวาต่อไปว่าใครอุตรีโกรธขึ้นส่งสัญญาณนี่ขณะนั้นไม่มีบุคคลใดในกลุ่ม แตะต้องหรือกดสัญญาณเรียกขึ้นเลยทุกคนทำหน้าตื่นเลิกละกันไปหมดคิดจำได้ว่าแต่เท่าบุญคำถูกมอบไว้ให้ประจำตัวเครื่องหนึ่งจึงมองไปทางนั้นร้องถามเป็นภาษาของตัวว่าแต่เท่านันเสือกดสัญญาณเรียกขึ้นมาหรือเปล่าเทิดพุทช่วยแปรลร้องถามไปโดยเลยบุญคําสั่นหัวและแทนคําตอบจะล้วงมือเป็นย่ามจิตวิทยุที่ให้ประจำตัวขึ้นมาชูให้ดูแสดงว่าไม่ได้แตะต้องอะไรมันเลยวะอะไรกันนี่หรือว่าหูฝาดก็ใช่ที่ตะกี้เสียงมันดังเรียกขึ้นอยู่อะ แล้วก็ดังพร้อมกันหมดทุกเครื่องของพวกเราที่นั่งกันอยู่ครบลั่นไปหมดหรือว่าอุปท า, านก็จะมามัวสงสัยร้องโวยวายอยู่หาหอกอะไรเปิดซิวอยเปิดวิทยุเชิดวุดิร้องออกมาพร้อมกับดึงเครื่องของตนขึ้นเปิดสวิตทันทีและทุกคนก็เปิดเครื่องรับส่งของตนที่มีอยู่ขึ้นพร้อมกันหมดเพราะว่ายัางไม่มีใครกรอกคาพูดใดๆลงไปเชิดวุดจึงพูดขึ้นดังๆจากมนุษย์กลุ่มทุเรศที่สุดเรียกสวรรค์หรือนรกที่ไหนก็ได้แต่ดยินให้ต่อมาด้วย เรียกทำไมครับสวรรค์รลึนนรกนะ่ะเพราะทั้งสองแห่งต่อพวกคุณมาไม่ได้หรอกเสียงเ ร, ยเรียบแต่ชัดเจนที่สุดดังแววออกมาจากลําโพงวิทยุมือถือทุกเครื่องทำเอาอทุกคนตัวแข็งตะลึงพึงเพริดกันไปหมดระพินนั่นคุณลืนนั่นกลุ่มนายจ้างทั้งหมดยกเว้นคริสคุณนั่งจังงังชนิดพูดอะไรไม่ออกร้องขึ้นสนานเป็นเสียงเดียวกันหมดเงียบไปแค่อึดใจเดียวเสียงก็ต่อมาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย แ้าไม่ใช่ผมและพวกคุณคิดว่าเป็นผีหาซาตานที่ไหนทั้งหมดถันันพวกลุกขึ้นยืนทันทีไม่แต่พวกกลุ่มผ่านพื้นเมืองและลูกค่ะพระต่างจําเสียงที่ก้องออกมาจากวิทยุลาโพงของฝ่ายนายจ้างที่เร่งวอลลุ่มไม่เต็มที่ได้มันเป็นเสียงของลัพินไพรวันที่ชัดที่สุดเหมือนกับพูดใกล้ๆแค่นี้เองคิดกระโดดตัวลอยแหกปากออกมาบูเล่สวรรค์ทรงโปรดไอ้เสือนั้นยังอยู่เข้าไม่ตายจุดศูนย์ย์หนึ่งเปอร์เซ็นตของความหวัง การเสืกเป็นจริงขึ้นมาจนได้ระพินพวกเรากําลังรอให้ไฟโซมอยู่แล้วจะลงไปเก็บกระดูกของคุณเชียรเสียงสะบดดามาอย่างหงุดหงิดจะเก็บกระดูกผมไปทําหาอะไรพูดบ้าๆคิดเนื้อผมทุกส่วนยังหุ้มกระดูกดีอยู่โว้ยเสียงโ h o ร้องอย่างยินดีของคณะพักประสานกันขึ้นโดยไม่ต้องนัดหมายทุกคนอยู่ในภาวะตื่นเต้นยินดีขีดสุดมีคริสคนเดียวเท่านั้นที่ยังนั่งกะลึงนิ่งระหว่างที่พวกนั้นกําลังดิ้งโลดโวยวายกันอยู่ ใบหน้าซีดเซียวของหล่อนปรากฏลิ้วเลือดแล้วก็ซบหน้าลงกับฝ่ามือทั้งสองไหลทั้งสองข้างสะเทือนหล่อนหัวเราะกับร้องไห้ปนกันไม่มีใครสนใจจะหันมาเห็นได้ในขณะนั้นละพินนี่ผมแซนลี่พูดบนหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เอ่ยขึ้นอย่างเช่อมช้าหนักแน่นและชัดเจนที่สุดทําให้พักพวกที่กําลังเอตโลกันอยู่เงียบลงสงบลงทันทีและเงียบหูฟังบรรยากาศในขณะนั้นมันเปลี่ยนจากหลังมือ จากหลังมือเป็นหน้ามือแล้วเราทุกคนเข้าใจว่าคุณตายในกองไฟแล้วและนั่งเป็นทุกข์วิตกจนทำอะไรไม่ถูกไม่คิดเลยว่าจะได้ยินเสียงเรียนวิทยุจากคุณขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรบ้างผมปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างอยู่บนไหลเขาด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพวกคุณในขณะนี้ห่างออกไปประมาณไมครึ่งเท่านั้น เสียงจอมพรานตอบออกมาจากลำโพงวิทยุเครื่องที่เปิดอยู่ทุกคนอยากจะแย่งกรอกคำพูดลงไปทั้งนั้นแต่หัวหน้าคณะโบกมือเป็นสัญญาณให้สงบไว้โดยตนขอทำหน้าที่ติดต่อกับพรานใหญ่เพียงคนเดียวก่อนเพื่อกันเสียงอันสับสนขอคำอธิบายหน่อยสิคุณหลุดรอดพ้นกองไฟออกมาได้ยังไงร้อยเปอร์เซนตเราคิดว่าคุณจิตอยู่ในทะเลเพลิงนั้นหาทางออกไม่ได้เสียงหัวเราะดังเบาๆก่อนจะมีคาตอบว่า ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพวกคุณจะโมวิตกเป็นห่วงอะไรกับผมเรื่องนี้เลยมันไร้สาระเกินไปและไม่มีเหตุผลพอที่จะต้องห่วงกันมากมายถึงขนาดนั้นไฟมันดักขวางอยู่เบื้องหน้าผมผมก็พยายามให้พวกคุณและพวกลูกหาบล่วงหน้าออไปก่อนจนหมดแต่ผมหาทางเดินไม่ได้แนวไฟขยายวงกว้างดักหน้าไว้หมดผมต้องยอมเสียเวลาหน่อยอ้อมหลีกแนวไฟที่ไล่ล้อมมาโจยต้องเดินในระยะห่างอีกราวสามไมครึ่งอ้อมทุ่งตัดเข้าดงเล็กๆ ของป่าโปร่งที่เห็นอยู่ซีกซ้ายมือโ น, โน่นแล้วก็ตัดทางขึ้นไหลเขาลูกนี้ก็แค่นั่นเองอันไรที่ทำให้พวกคุณคิดว่าผมจะเซอร์ซ่าให้ไฟมันล้อมเผาทั้งเป็นจนถึงกับต้องพะวงห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนกันอยู่แบบนี้คิดเชิดวุดเบลและสแตนลี่มองตากันเบลนั้นทำท่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกแงนขึ้นท้องฟ้าอันจ้าไปได้แสงตะวันพึ่งพําออกมาว่าแดนเซเว่น โอ้ยพระเจ้าประคุณเอ้ยนี่เขากลับแสดงความแปลกใจซะอีกที่เพิ่งจะมารู้ว่าพวกเราเป็นห่วงทุกข์ร้อนกับเขาแทบตายชักคนคนนี้ช่างเหลือรับจริงๆแคนลี่ยิ้มขรึมขรึมกับวิทยุในมือปัดนี้กำลังใจของทุกคนกลับคืนมาดังเดิมแล้วพยายามใช้เสียงพูดให้เป็นปกติไม่ใช่แต่พวกผมเท่านั้นหรอกนารพินที่คิดว่าคุณกรอบกเกรียมหรือแต่กระดูไปแล้ว พวกลูกน้องคุณเองลูกหาบทุกคนก็คิดเช่นนั้นพวกนั้นบอกคุณเลยครับว่าผมตายไปแล้วเสียงย้อนถามมาทำเอาสแตนลี่จังงักไปจริงสิบุญคําหรือจันท์เกิดเสยก็ไม่มีใครพูดเช่นนั้นสักคนแต่เท่าที่เขาสังเกตเห็นนั้นอาการจ่อยและเงียบขึมของลูกน้องทั้งสี่ของระินมันน่าจะทําให้เข้าใจเช่นนั้นปล่าเขาไม่ได้บอกนึกว่าถักคนใดคนนึงพวกบอกพวกคุณแบบนั้นเดี๋ยวผมจะเตะมันเอง แต่ทุกคนผมหมายถึงลูกน้องสี่คนของคุณและพวกลูกหามหน้าแห้งกันไปหมดเราเรารู้ว่าพวกเขาก็วิตกถึงคุณไม่น้อยไปกว่าเราคุณอย่าไปสนใจรูอาการเจ้าพวกนั้นเลยด็เตอร์ถ้าหน้ามันจะแห้งมันแห้งของมันอ ย, อย่างนั้นตลอดสกนั่นแหละเพราะทุกคนอยากกลับบ้านแต่จะไม่มีใครกลับไปได้ตราบใดก็ตามที่ผมยังไม่กลับและขอขอบคุณที่ทั้งคุณและคิด สวมชุดกันเพลิงเข้าไปช่วยคนของเราออกมาตอนนั้นผมยังเห็นอยู่เพราะควันยังไม่มากนะแต่ว่าพวกคุณเถอะปลอดภัยกันดีทุกคนหรือเปล่าประโยคหลังก็ากลับย้อนถามมาปลอดภัยดีหมดทุกคนถ้าจะมีใครชักดิ้นชักงอเกือบตายไปบ้างก็เพราะความเป็นห่วงคุณนั่นแหละซีดโขงสวนออกมาอ้อเคเนลคิดเสียงของคุณยังล่าเริงจับใดีอยู่มากก่อนอื่นขอให้ผมได้ยินเสียงของพวกคุณให้ครบหน่อยสิ คิสกับด็อกเตอร์ผมรู้แล้วว่าปกติดีอยู่เบลกับคริสล่ะไอฮันเตอร์ฉันดีใจจนบอกไม่ถูกที่คุณรอดปลอดภัยและยังมีชีวิตอยู่อิสเบลพูดกับวิทยุในมือที่ถือเตรียมพร้อมอยู่ของหล่อนด้วยเสียงที่แจ่มสายปิติแจ้งแมนคริสติน่า where you now เขาเรียกหาคริสเหมือนจะให้รายงานตัวผู้ถูกเรียกหาหายางเงียบเมื่อทุกคนหันมาก็เห็นคริส ยังนั่งเอามือปิดหน้าโดยซบอยู่กับเขา่าเช่นนั้นเชิดวุดเดินเข้าไปหาซุดตัวลงและส่งวิทยุของเขาไปให้พร้อมกับบอกว่าเขาต้องการได้ยินเสียงของคริสและพินยังอยู่ยังไม่ตายคุณพูดกับเขาสิว่าคุณดีใจที่เขาปลอดภยัยคริสเงยหน้าขึ้นกัดลิมฝีปากน้ําตา ย, ยังพราวเปียกชุ่มขนตาแต่ยามนี้อาจดูเป็นเหงื่อก็ได้หลอนสะบัดผมและพูดกับวิทยุในมือของเชิดบุษเรียบ ผิดหวังมากสําหรับฉันไพรว์วานฉันคิดว่าคุณน่าจะลงนรกไปแล้วเสียงหัวเราะดังตอบมาขอบคุณที่ให้พรผมเอาละแปล ว, ว่าพวกคุณสี่คนรวมทั้งคุณโชิดวุฒิอยู่กันครบต่อไปนี้ผมขอพูดกับคนของผมหน่อยตะคนะําน่ะเบลอยืนอยู่ใกล้บุญคําที่สุดบุญคําเองก็ถือวิทยุอยู่ในมือแต่ยังไม่ได้เปิดเครื่องหล่อนจึงส่งไปให้พร้อมกับบอกว่าเอา้าบุญคําพูดกับเจ้านายของเธอหน่อยเขต้องการได้ยินเสียงของเธอ สมุนขวาของจอมเซียนของระพินกระพริบตาปิบีบๆแล้วยื่นปากเข้ามานายนี่ไ อ, บไอนะ้บุญคะนี่ไอ้คัมนะบุญคัมเราไปพูดอะไรให้ในห้างพวกนั้นตกใจเลยคุณคัมปล่าพูดนายไม่ได้พูดอะไรสักอย่างก็นั่งร อ, อนายอยู่นี่แต่นายหายไปนานเหลือเกินจะบอกอ่อยออยพวกเราทุกคนเป็นไงบ้างไม่มีใครเป็นอะไรมากหรอกนายหนังพองบ้างหนังพองบ้างนิดหน่อยเท่านั้น ดีมากแล้วเข้าของสัมภาระล่ะมีอะไรขาดหายตกหล่นบ้างไหมไม่ต้องห่วงในเรื่องนั้นสัมภาระทุกชิ้นของเราลูกหาเอาออกมาได้หมดเรียบร้อยดออร์แสลี่พูดแทรกขึ้นและต่อไปว่าคุณปลอดภัยเรียบร้อยดีทำไมถึงไม่วิทยุออกมาให้เราทราบบางนี่เงียบหายไปเลยทําให้เราทุกคนคิดว่าคุณตายในกองไฟแล้วและขณะที่เราหลุดพ้นออกมาจากไอ้ทุ่งนรกนั่นมาได้มานั่งคอยอยู่ตรงนี้มันก็ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงไปแล้วทุกคนจะได้ยินเสียงคุณเดี๋ยวนี้เอง ผมต้องขออภัยในเรื่องนี้ที่ทําให้ทุกคนกังวลเสียงพรานใหญ่ต่อมาในสภาพปกติของเขาเพราะผมไม่คิดว่าพวกคุณจะคิดไกลไปถึงขนาดว่าผมจะถูกไฟเผาในทุ่งนู้นก็คิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นต้องแยกกันชั่วคราวตามปกติธรรมดาเดี๋ยวก็พบกันเองเพราะผมอ้อมทางมาได้ก็ไต่ขึ้นไหลเขาจุดหมายของเราจะต้องเดินมายังตําแหน่งนี้อยู่แล้วผมขี้เกียจเสียเวลาเดินวกไปสมเท่ากับพวกคุณตรงนั้น เพราะมันจะต้องอ้อมเปลืองเวลาเข้าไปอีกตั้งใจว่าจะมาให้ถึงเะ ก, ก่อนแล้วก็วิทยุบอกข่าวให้เดินตามมาที่ผมก็มาถึงที่หมายแล้วและยำหมาเลยไอ้หอกหักดูพวกทำสิไอ้เหล่ารู้เป็นห่วงแทบตายหมอกลับไปนั่งสบายใจเฉิบรออยู่ข้างหน้าแล้วคิดสะบดอุบอิบในลำคอถอยออกมาถอดออกมาเป็นภาษาไทยคงได้ความทานองนั้นทาเอาเชิดวุดผู้เพิงจะพ้นจากความวิตกเป็นทุกข์ว่อกาออมา กระเพีนไอคิดมันดาพี่ได้ยินหรือเปล่าด่าผมเรื่องอะไรไม่ทราบการใหญ่ถามมาเฮ้ยไม่ได้ด่าเว้ยอย่าไปเชื่อไอคนปากเสียนี่นี่จะเอาอยัางไงล่ะพวกเราทั้งหมดรอกันด้วยความเป็นห่วงอยู่ตรงนี้คุณกับเพนไปดักรออยู่ข้างหน้าแล้วจะให้เราตามไปสมทบเดี๋ยนี้ใช่หมกระเพีินเงียบไปกึ่งอึดใจแล้วก็บอกออกมาว่าขณะนี้บ่ายโมงเศษเข้าไปแล้วพวกคุณอาจถิวและตอนนี้ก็ไม่มีอะไรรีบร้อนที่จะต้องพบผมเะก่อน เพราะฉะนั้นมีข้อแนะนำว่าพวกคุณและลูกหาบทุกคนกินอาหารกลางวันที่นั่นก่อนก็ได้เพราะไหนๆก็พักกันอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนผมก็จะรออยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงพอเสร็จแล้วค่อยตรงกันขึ้นมาบอกให้ชัดอีกทีซิว่าขณะนี้คุณอยู่ตรงไหนของไหลเขาลูกนี้กันแน่และห่างเท่าไหร่จากที่นี่หัวหน้าคณะถามไปโดยเร็วผมอยู่ตรงเวิ้งใต้หน้าผาใหญ่ถ้าขึ้นมาพวกคุณก็จะต้องไต่เขาขึ้นมาอีกสองช่วงคิดว่าไม่เกินสามสิบนาทีคงจะถึง ขอให้สังเกตรูปของภูเขาที่เป็นตัวอินทรีย์พังงาดมันจะตรงกับหัวปีกด้านซ้ายบุญคำเข้าใจดีจะนำขึ้นมาได้อย่างถูกต้องระยะต่อไปนี้เราจะไต่เขาไปตลอดและพักข้ามบนไหลเขาตอนใดตอนหนึ่งสุดแต่ว่าเราจะไต่ขึ้นไปได้แค่ไหนซึ่งวันของวันนี้จะปีนเขากันตลอดหนทางระยะนี้ยังไม่ลำบากมากนะัก ทางนั้นคุณรออยู่ตรงนั้นแหละเราจะขึ้นไปสมทบเดี๋ยวนี้รอกินอาหารพร้อมกันด้วยเราอยากพบคุณโดยเร็วที่สุดแดนลีตัดสินใจทันทีซึ่งก็ตรงกับความต้องการของทุกคนถ้างา น, นให้บุญคํานําขึ้นมาได้เลยครับผมจะรอตกลงเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละเปิดวิทยุเตรียมพร้อมไว้ด้วยถ้าผิดทิศทางยังไงจะได้คอยสอบถามกันได้เสียงทางโน้นรับคํามาแล้วก็เงียบกริบหายไปในทันทีแจนลี่สั่งเก็บผ้าพลาสติกที่ถึงบังแดด และสั่งให้ทุกคนเคลื่อนที่โดยเร็วเพื่อไต่สูงขึ้นไปตามไหล่เขานั้นทุกคนไหวกายเตรียมพร้อมกันหมดยกเว้นคริสซึ่งยังนั่งชันขาเอามือเท้าค้างอยู่ที่เดิมเชิดวุตรผู้คอยห่วงสนใจอยู่ก่อนและหันมาเห็นก็เดินตรงเข้ามาก้มลงจับแขนไปคริสปเดี๋ยวเราจะได้เห็นลรพินซึ่งเราไม่คิดว่าจะได้เห็นเขาอีกแล้วโดยไม่ได้มองศพบตาหากแต่ยังมองไปยังทุ่งเพลิงข้างล่างคริสพูดว่าแล้วคุณคิดว่าฉันอยากจะเห็นคนหน้า หน้าหินใจโหดคนนั้นนักลึกฉันอยากพบเขาเหมือนกันแต่อยากจะพบเขาในกองไฟนั้นเสียมากกว่าพร้อมกับพูดหลอนบุ้ยเปล่าลงไปยังทะเลพะเพลิงเบื้องหน้าเชิดวุธสายศีรษะชา้าๆแล้วถอนใจเพื่อ ก, กระซิบไม่ใช่ฝ่ายคุณฝ่ายเดียวหรอกนะที่ห่วงหาถึงเขาแต่เขาก็ห่วงหาอาธรถึงคุณเช่นกันหนทางข้างหน้ายังอีกไกลนนะักขาอาจสนใจถึงคุณมากขึ้นกว่านี้ตามที่คุณปรารถนาก็ได้ คราวนี้แม่ผมทองศบตาเขาส่งมือไปให้จับแล้วเหนี่ยวกายดึงขึ้นยืนทุกคนล่วงหน้าปีนใต่แง่เขากันไปหมดแล้วคงมีแต่หล่อนและเขาเท่านั้นที่ยังรังท้ายหล่อนกระซิบคนที่ฉันควรจะคิดถึงให้มากที่สุดในขณะนี้ก็วควรจะเป็นคุณนาวูดคุณดีกับฉันเหลือเกินแต่ก็น่าเสียดายที่คุณไม่ได้คิดถึงผมเลยแต่กลับไปคิดถึงคนที่เขามีโซ่ตรวนล่ามหัวใจเอาไว้แล้วเออ ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบถูกต้องยุติธรรมเลยนะผิดฝาผิดตัวอยู่เสมอลิสติน่ากอดเชิดวูดไว้ซบหน้าลงกับไหลฉันจะพยายามรักคุณจะพยายามขณะนั้นมีเสียงตะโกนของคิดดังเตือนลั่นมาว่าเฮ่ hey, both of you move that's not t h place for making love เชิดวูดป้องปากตะโกนไล่หลังไปว่า damn cheers go ahead Otherwise, I fuck your แ s s แลประโยคหลังเขาก็ดามบางอันดามันไปด้วยภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำในคิดชูกำปั้นหลาที่ถูกเชอร์วูดดาวอย่างแสบที่สุดแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรลงมาอีกคงบ่ายหน้าปีนตามแก่งแง่หินติดตามพรรคพวกภายใต้การนำของบุญคำขึ้นไปทันทีเชอร์วูดก้มลงเก็บเอ็มสิหแบบคอมมานโดมันเป็นปืนประจำมือของคริส่สงให้เจ้าของและพลิกกลอนหันหลัง ช่วยดึงสายรัดของเครื่องหลังให้แนบกระชับจากนั้นทั้งสองก็เคลื่อนที่ติดตามพักพวกที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วเห็นหลังกันอยู่ในระยะห่างกันไม่เกินกว่าจะตะโกนขึ้นถึงเสียงวิทยุจากแตนลีย์ร้องเร่งไหมทั้งสองกระชั้นชิดเข้ามาอีกซึ่งเชอร์ุูธก็ตอบไปว่าไม่ต้องห่วงกำลังตามติดขึ้นมาแล้วส่วนตัวเเองก็คอยทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงฉุดบ้างดึงบ้างนำเอาคริสผู้ขณะนี้ รู้สึกว่าจะอ่อนเปรี๊ยะเพรียะแรงลงไปมากให้เคียงคู่ไปด้วยกันจะบอกความจริงอะไรให้เอาไมค์คริสเขากับซิฟกับหล่อนในลักษณะสนทนากันเบาๆระหว่างไต่ทางขึ้นไปด้วยกันอะไรเมื่อกี้นี้คุณบ้าคลั่งลืมตัวไปชั่วขณะเหมือนเหมือนกับผมในตอนแรกที่เพิ่งจะหลุดออกมาจากกองไฟได้นั่นแหละซึ่งตอนนั้นคุณกลับเป็นฝ่ายคุมสติได้ดีที่สุดแต่ไงถึงมาลืมตัวเอาตอนหลังก็ไม่รู้ หมายความว่ายังไงหล่อนถามซอยเปลือกตาทีๆไม่เข้าใจหรือไม่สามารถจำเหตุการณ์ในตอนนั้นได้จริงๆก็อยู่ไม่อยู่ขณะที่เรานั่งพักดูทะเลไฟกลางทุ่งกันอยู่คุณก็ลุกขึ้นมารวดพลาดเหมือนคนบ้าจะแล่นลงไปค้นหาละพินในกองไฟนั่นพวกเราต้องจับซะเทปแย่นั่นหรือแล้วยังไงต่อไป คริสร้องเสียงสูงคิดกับสแตนลี่ขณะตัวโตมาตะคุบแขนคุณลาด้านอย่างแทบเอาไว้ไม่อยู่ดิ้นสะบัดร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งผลที่สุดเบลนั่นแหละเข้ามาต่อยปลายคางคุณหลับไปเลยแล้วก็จับฉีดยาระงับประสาทคุณฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งอาการก็สงบลงไปได้เป็นเวลาเดียวกับที่ระพินเรียกวิทยุรายงานเข้ามาพอดีแม่ผมทองเป่าลมออกจากปากแล้ว เอามือตบขมับตนเองเบาๆฉันจําเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้จริงๆรู้สึกครั้งสุดท้ายว่าสมองตอนนั้นมันตึงเครียดแทบระเบิดขอบคุณทุกคนที่ช่วยยับยั้งฉันไว้ไม่ให้เข้าไปหากองไฟถึงเดี๋ยวนี้ฉันก็นึกไม่ออกจริงๆว่าทําไมฉันถึงจต้องทําอย่างไร้สติอย่างนั้นแล้วก็เฉยๆเสีนะอย่าไปพูดอะไรเรื่องนี้อีกพวกคุณทุกคนเขาสั่งกันไว้แล้วไม่ให้เอ่ยถึงเพื่อพูดอะไรกับคุณอีกในเรื่องนี้ ตะว่าให้คุณลืมเหตุการณ์ตอนนั้นไปเสียเลยนี่ผมแอบมากับซิปให้รู้ว่าเกิดอะไรกับคุณบ้างในตอนนั้นคนเราต่อให้รู้ว่าแข็งแกร่งสักขนาดไหนก็ตามบางขณะก็แสดงความอ่อนแออ่อนไววออกมาให้เห็นได้ง่า ย, ายๆเหมือนกันนะหล่นกล่าวเหมือนลาพึงขณะที่เหนียวแขนของเขาได้ไต่แง่หินขึ้นไปมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของจิตใจในขณะนั้นนั้น ตลอดจนสิ่งแวดล้อมด้วยคุณเครียดจริงๆในตอนนั้นและเก็บกดความรู้สึกไว้มากเกินไปจนกระทั่งระเบิดตอนที่เราฝากกองไฟกันออกมาได้ใหม่ๆนั้นคุณไม่สอให้เห็นเลยว่าคุณจะมีความห่วงใยอะไรละพินละจนนิดเดียวไล่ตอนพวกลูกหาให้ห น, นีออกไปโพลลัสมีของไอไฟอย่างเกลี้ยกลาดูดันที่สุดผมถูกคุณตอนนั้นและบอกตรงๆว่ากลัวใจและเห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มที่สุด ใครเดินช้าหรือโม่เก๊กางๆอยู่คุณทีผัวซุนไปเลยขณะนั้นผมนึกเกลียดคุณอย่างที่สุดมอกกับตนเองว่านี่กระมังแก่นแท้จริงใจของคุณแต่พอเรามานั่งรอคอยและพินกันอยู่เวลาล่วงเลยผ่านไปเป็นลําดับไฟก็ยิ่งโหมเต็มทุ่งคุณก็สุดที่จะฝืนทําเป็นใจแข็งหรือเหี่ยมเกรียมต่อคนคนนั้นต่อไปไม่ได้ถึงกับเต๋อสติวิ่งจะลงตามเข้าไปในกองไฟซึ่งก็เห็นชัดๆว่าคืนปล่อยคุณไปก็เท่ากับลงไปตายเท่านั้น ริสฝืนยิ้มฝืดๆวูดฉันว่าในบรรดาพวกเราทั้งหมดไม่มีใครเฮี้ยมและใจดาเท่ากับคนคนนั้นหรอกเรื่องหนึ่งของเขาก็ยังไม่ได้คุณอย่าเพิ่งทำสีหน้าแปลกใจหรือพยายามโต้เถียงออกรับแทนเขาฟังฉันและใจตรองพวกเราทุกคนคิดเป็นทุกเป็นห่วงเขาจนทำอะไรไม่ถูกขณะที่นั่งลอ ก, กระซับกระสายกันอยู่ตรงเนินนั้นตัวเองหนีรอดพ้นจากไฟคลอออกมาได้ คิดสักนิดก็ไม่ได้วะพวกเรากําลังห่วงกันอยู่ก็ทักเพียงแต่จะ ว, วิทยุบอกเรามาแต่เนิ่นเนิ่นพอขัพ้นอันตรายแล้วและกำลังเดินทางไปดักรออยู่ข้างหน้าเราก็จะสบายใจกันกว่าที่แล้วแต่นี่คุณเห็นไหมเขาเงียบไปเฉยๆไม่สนใจใยดีอะไรทั้งสิน้นเดินไปจนกระทั่งถึงจุดหมายที่ตัวเองต้องการแล้วถึงจะ ว, วิทยุแจ้งให้เราทราบเมื่อฝ่ายเราตื่นเต้นยินดีและสอบถามเข้าเกี่ยวกับเรื่องความตกใจของเรา คุณฟังไม่ออกหรือหาเสียงของเขายัางแสดงความหงุดหงิดลำคาญเะได้ซ้ซํำไปในกรณีที่พวกเรางัวแต่บ้าห่วงเขาไม่เข้าเรื่องคนใจดํามันก็อย่างนี้แหละมหาหินเลยละพินไพยวันคนนั้นหลอนเน้นเสียงอย่างขับแขนใจคุณและพวกเราทุกคนมีสิทธิ์คิดน้อยใจในข้อนี้ได้คริสเชิดวุดปลอบโยนแต่เราก็ควรให้อภัยเขาเสเถอะเพราะ ก่อนที่จะลงความเห็นอะไรลงไปคุณจะต้องดูอุป็นิสัยดั้งเดิมของเขาให้เห็นชัดเสีก่อนปรพินเป็นคนแบบนี้เองไม่ชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ตรงข้ามเรื่องใหญ่เขาพยายามทําให้เป็นเรื่องเล็กและผ่าน่าๆไปเสียอย่างง่ายๆไม่ต้องดูอื่นไกลขนาดตัวเองจับไข้แทบเป็นแทบตายเขาก็ยังไม่พยายามจะบอกให้เราทราบหรือขอความช่วยเหลืออะไรจากเราเลยก็ไม่ต้องการให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนอ่อนแอรหรือมีจุดอ่อน ในกรณีไฟไหม้ล้อมทุง่งจำไปหมดนั่นก็เหมือนกันพวกเราเป็นห่วงเขาแต่เขาถือว่าต้นหลีกลบมันออกมาได้ง่ายๆก็ น, นึกก็เลยนึกเดือดดานไม่พอใจพวกเราที่มัวไปคิดว่าเขาถูกไฟครอกตายไม่มีปัญญาจะหนีออกมาได้ซึ่งเท่ากับเป็นการดูถูกฝีมือเขาถ้าคุณอ่านให้ลึกได้อย่างนี้คุณไม่จําเป็นจะต้องเก็บมาคิดอยู่ว่าเขาเป็นคนใจหินใจอะไรอย่างนั้นหรอกโอเควุฒิฉันรู้จักเขาน้อยกว่าคุณเะอีกว่า แต่นั่นเวลาเท่าไรแล้วเชิดวุดหัวละถ้าคุณถามเวลาผมตอนนี้ผมก็เห็นจะต้องเล่นวิธีเดียวกับรับผินคือดูตะวันซึ่งไม่แน่ว่าผมจะบอกเวลาได้ตรงเพงแม่นยำเท่าเขาหรือเปล่าลืมเสียแล้วหรือนาฬิกาข้อมือผมปนปี้พังชิบหายไปแล้วตั้งแต่ตอนหินมันถล่มใส่เราวันนั้นผมมีนาฬิกาใช้เมื่อไรแต่นาฬิกาของคุณยังอยู่ แม่ผมทอ้องจึงเพิ่งจะนึกขึ้นได้หัวเราะเบาๆตบแขนเสอตัวเองขึ้นดูนาฬิกาเดินป่าของหล่อนบ่ายมากแล้ว 14.12 นและนี่เราจะพบเขาเมื่อไหร่กันนี่ก็เห็นจะบอกว่าให้ตามบุญคำไปคงไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงคุณหิวไหมเอาอะไรที่ไหนมาหิวสำหรับความขวัญห น, นีดีฝอที่ผ่านมาหยกๆยกขอร้องอะไรหน่อยนะวุฒ ถ้าพวกเราไปพบเขาแล้วจะบอกเรื่องฉันจะแล่นตามลงไปดูเขาในทะเลเพลิงนั่นโปรเถอรับรองผมจะไม่ยอมให้เขารู้เป็นอันขาดว่าส่วนเรื่องของจิตใจคุณที่มีต่อเขาเช่นไรฉันว่าคุณเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดอะไรอย่างไรพวกคิดว่าฉันเเครซี่เขาน่ะสิแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกหรือก่อนไว้ไหลเชิดหน้าขึ้นประกาศกล่าวแข็ง ฉันเป็นห่วงเขาอย่างเดียวกับทุกคนของพวกเราที่จะพึงเป็นห่วงต่อลูกจ้างนั่นแหละไม่มีเขาสีกคนเดียวพวกเราก็เดินกันต่อไปไม่ได้คุณไม่ได้รักเขาไม่เคยบอกคุณไว้ก่อนซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือว่าเกิดมาฉันไม่เคยรักใครเอาละจะพยายามเชื่อโดยการนำของบุญคำซึ่งแม่นยำต่อทิศทางอย่างยอดเยี่ยม ปีนไต่ขึ้นไปตามไหล่เขาแต่พักแล้วแับพักเล่าโดยมุ่งข้อหาแนวระหว่างหัวปีกด้านซ้ายของภูเขารูปนกอินทรีซึ่งเป็นทิวหลังฉากทะมึนอยู่เบื้องหลังเวลาที่ระพินกะไว้เครื่องชั่วโมงแทบจะตรงเพงคลาดเคลื่อนแค่ไม่เกินสองนาทีเท่านั้นแต่พรานเขาก็นํามาถึงยอดเนินเขาลูกที่ขึ้นมานั่งพักดูไฟกันเมื่อครู่ใหญ่นี้ตําแหน่งนั้นเป็นเพิงหินร่มในหมู่ไม้เตี้ยเตี้ย อุดมไปได้วยโขดหินสูงสูงต่ำต่เงาร่มรื่นแต่แห้งแรงร่างสันทัดของมาคุเทศนำทางกำลังนั่งเหยียดเท้าสูบรีหลังพิงแงหินก้อนหนึ่งคอยอยู่ก่อนและเสียงบุญคำร้องตะโกนเรียกส่งเสียงทักขึ้นก่อนแล้วบหน้าเข้าไปทันทีจากนั้นกลุ่มนายจ้างอเมริกันและพวกลูกสาก็ปรีดิงเข้าไปทันทีขณะที่ล่างนั้นระบกมือช้าเป็นสัญญาณเรียก ลงหาบกันตรงตำแหน่งนั้นกลุ่มนายจ้างทั้งหมดเดินเข้าไปลายล้อมเข้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างของชายผู้นั้นปกติจะมีก็แต่รอยดําๆของคิ้เท้าจากแฝกที่เกาะติดอยู่ตามลำแขนและใบหน้าซึ่งวันนี้ถูกเช็ดออกด้วยผ้าขามา้าแต่เหลือแค่ครุมุขขมอมอยู่เท่านั้นสแตนลีย์คีธและอิซาเบลเข้ามาถึงก็โครงหัวอย่างละอายใจแต่ทุกคนก็ยิ้มแย้มส่วนคริสซุดกายลงนั่งหางออกมาเล็กน้อยหลอนพินิจ ด, ดูเขาอยู่เช่นกัน นั่งลงและกินอาหารเถอะครับเราจะพักกันที่นี่จนกว่าจะหายเหนื่อยไม่มีอะไรรีบร้อนนั่นเป็นประโยคแรกที่เขาเอ่ยบอกพร้อมกับสั่งการไปยังพวกของบุญคำอะไรสองสาคำไม่อยากจะต่อว่าอะไรเลยแต่คุณก็ทำให้พวกเราใจหายใจคล่อมอยู่เป็นเวลานานพอสมควรหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เอ่ยขึ้นขณะที่ช่วยกันเปิดอาหารกระป๋องแจกจ่าย ถ้าการไม่ส่งข่าวให้ทราบเส ก, ก่อนเนิ่นๆเป็นข้อบกพร่องของผมก็ขออภัยทุกคนด้วยผมนึกว่ามันไม่มีอะไรมากก็เลยไม่ได้วิทยุติดต่อไปและเป็นความผิดของผมเองที่เผาทุ่งหญ้าบริเวณนั้นที่จนกลายเป็นทะเลพะเพลิงถ้าจะครอบพวกเราตายกันหมดพอเห็นว่าพวกคุณรอดพ้นแนวไฟปลอดภัยกันออกไปได้หมดผมก็โล่งอกตัวผมเองก็ต้องเพ่นหนีอ้อมไปไกลลิฟเลยตามออกมาทางเดียวกันไม่ไหวพวกคุณไม่ได้กดสัญญาณวิทยุเรียกผมเอง ถ้ากดเรียกมาผมก็คงตอบไปนานแล้วแต่นี่เมื่อมเมเลีย ก, ก็เข้าใจว่าทุกคนคงทราบแล้วว่าผมไม่ได้เป็นอะไรคุณมันบ้องละพินเรีพูดตามปกติแล้วไม่เคยมีอารอมณ์ร้ายเลยบแบนี้ตาเขียวจ้าตวาดแว๊ดมาก็เราคิดว่าคุณถูกไฟย่างสดไปแล้วหน้าสิกถึงไม่ได้วิทยุเรียกเข้าไปทางคุณควรเป็นฝ่ายวิทยุมาถึงเราก่อนยิ่งเมื่อคุณเองปลอดภัยแล้วเงียบชีไปเลยมาพบหน้ากันแบบนี้ พอตบสักฉาดได้ไหมจอมพรานยิ้มออกมานิดหนึ่งจากดวงหน้าที่กล้านเกรียมเหมือนหินสลักถ้าตบแล้วจะทำให้คุณหายตกใจไม่เข้าเรื่องได้แล้วก็เชิญเลยหมอเบลแต่บอกกล่าวก่อนหน้าผมหนาแข็งมากนะมือคุณจะเจ็บเปล่าอิสเบลหันไปทางแม่เพื่อนสาวผมทองซึ่งนั่งสงบอยู่พยักหน้าเรียกลิสเขา อ, อนุญาตและจัดการได้เลยตบให้แรงที่สุดเท่าที่เธอจะตบได้ เพื่อจะซัดปลายทางด้วยกําปั้นสักหัวก็ได้มันจะได้คุ้มกับความวิตกของเธอเมื่อกี้ด้ลกลับตอบมาเรียบเรียบก็ผขาลอดตายมานั่งกระดิกเท้ารอคอยเราเยกยตะกายปีนภูเขาตายตามคําสั่งของเขาขึ้นมาจนพบนี่ฉันก็ดีใจแล้วมันเป็นความโง่เซอร์ของพวกเรากันเองตั้งหากที่คิดว่าคนอย่างเขาจะได้รับอันตรายไม่ควรจะโทษเขาแต่ควรจะโทษพวกเรากันเองที่รู้จักเขาน้อยไปปรพินไัยวัน วากระป๋องเครื่องเรชั่นลุกขึ้นเดินตามมาสุดกายนั่งข้างๆคริสผมรู้ว่าคุณโกรธผมมากกว่าใครในบรรดาพวกเราเสียอีกอต่อยหน้าผมสักทีก็จะยังดีกว่าที่จะด่ากันด้วยวาจาที่ฟังดูสุภาพแต่แสบร้อนกว่าไฟที่ผมเผชิญมาเสียอีกแล้วพรานใหญ่ก็เอี้ยวหลังให้ดูอ้าวดูเสียหลังผมเป็นยังไงบ้างคริสเห็นเขาก็แทบทงหงงะ ร้องลั่นออกมาทุกคนแปลกใจผลลุกขึ้นมาดูแล้วตะลึงไปตามๆกันเสื้อเดินป่าของระพินบริเวณแผ่นหลังส่วนหนึ่งมีรอยไฟกินขนาดไหมข้าไปประมาณฝ่ามือเศษ็จเบลกระโดดผม้งเข้าไปอีกคนโวยลัน่นระพินนั่นคุณถูกไฟลวกหรือนะ่ะตายละ่ะไม่ตายสินะ่ะตายจะมานั่งพูดกับพวกคุณอยู่ได้ยังไงเขาบอกหน้าตาเฉยหมอเบลกับคริ่ช่วยกันดูโดยลืมกินอาหารลงชั่วขณะแล้วก็พบด้วยความอัศจรรย์ใจว่า บริเวณผิวหน้าตรงบริเวณไฟกินเสื้อขาดไปนั้นมีรอยแต่เพียงแดงเป็นผืนไปเท่านั้นไม่ถึงกับไหมอย่างใดทั้งสิ้นเบลทดลองใช้นิ้วแตะเบาๆแล้วถามว่าปวดแสบปวดร้อนใช่ไหมโนเย็นดีสำหรับนิ้วของคุณทุกคนหน้าตื่น ง, งงงันกันไปหมดนี่ไฟลวกขนาดนี้คุณยังไม่รู้สึกอะไรเลยหรือดตอร์สแตนลีย์ร้องขึ้นมันก็ไหมเสือ้อผมไปส่วนหนึ่งนั่นแหละครับแต่ผมดับทัน หลังแรกก็เสบสนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วพวกคุณยังดีกับผมมากที่ยังไม่ถึงกับเสื้อผ้าไหมยิ่งกว่านั้นผมก็ต้องวิ่งหนีไฟที่ล้อมเข้ามานับเป็นไม่ไม่แทบเหนื่อยแทบตายจะเอาเวลาที่ไหนผู้วิทยุกับพวกคุณได้ไปวิ่งไปเอาขิ้พึ่งมาทาแก้ไฟลวกมาแต่เขาเบี่ยงหลังหลบไม่ต้องไม่ต้องหมอผมไม่เป็นอะไรแล้วละ่ะหนังผมมันหนาเกินกว่าที่จะพองได้ไม่ต้องห่วงหรอกไปช่วยจัดการกับลูกหาวของเราดีกว่า ใครไม่พองตรงไหนก็ให้เขาทาเสียสำหรับผมไม่เป็นไรและถ้าใครอยากจะตบจะอยากจะต่อยผมอีกก็เชิญตามสบายทุกคนอึ้งสแตนลีย์จุ๊บปากเบาๆมองดูเขาอย่างเห็นใจและสมเพศเบลชะโนกหน้าเข้าไปจุ๊บริมฟีปากที่แก้มเขาเบาๆแล้วว่าขอโทษด้วยนะที่ฉันเกลี้ยกราดไปกับคุณตะ ก, กี้และโดยแท้จริงแล้วคุณโดนหนักกับพวกเราเสอีก แล้วแม่ผมแนงก็หันมาทางเพื่อนสาวที่ยืนตะลึงจ้องก็อยู่บอกว่าคริสอย่าเพิ่งไว้ใจนะเดี๋ยวกินอาหารเสร็จเธอช่วยตรวจ ด, ดูรอยไหม้เสื้อตรงนั้นของเขาให้ละเอียดด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อว่ามันไม่พองหรือไม่เกิดอันตรายอะไรขึ้นหรอกราดพลังอะไรจะเกิดอักเสเป็นแผลเฟอชะกันขึ้นแล้วก็แย่ทีเดียวขอดูหลังของเุาอีกครั้งเถอะคาร์ลินคริสติน่าวางอาหารกระป๋องในมือลงทันทีเสียงสเตนลีย์และคีิสร้องขอมาอีก สองแรงด้วยความเป็นห่วงเพื่อให้เขายอมให้ตรวจโดยละเอียดจอมพรานยิ้มออกมานิดหนึ่งหมุนตัวหันหลังให้คริสโดยดีเอ้าดูเสียหนังหรือเนื้อหลุดแหวงออกมาบ้างหรือเปล่าเสื้อตรงนั้นนะไม่ต้องพูดถึงมันไหม้ไฟไปหมดแล้วขณะที่ก้มลงพิจรารณาดูอย่างละมัดระวังคริสถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรนี่ลงถ้ามันไหม้เสื้อตอนหลังของคุณได้แบบนี้มันก็น่าจะไหม้เสื้อผ้าส่วนอื่นคุณไปพร้อมกันด้วยแล้วนี่ ทำไมมีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นผมวิ่งผ่านต้นไม้ เ, เล็กๆที่ไฟกําลังไหม้อยู่แต่ต้นต้นวิ่งยังไม่ทันพลรัศมีมันก็หักโค่นลงมากิ่งติดไฟส่วนหนึ่งฟาดลงมาบนหลังผมพอดีเสียงคริ ส, สุทชานยังหวาดเสียวค่อยๆเลิกเสื้อที่เหลือจากรอยไหมของเขาตัวด้วยอย่างพิ จ, จารณาเชิดพุดยืนหน้าเข้ามาดูด้วยแล้วนายทหารหนุ่มแห่งกองทัพ บ, บกไทยก็บอกได้ทันทีว่าผิวของพรานใหญ่ไม่ได้มีอันตรายใดๆเลย นอกจากรอยแดงอย่างที่เห็นแต่แรกเท่านั้นตัวดูอยู่นานค่อยๆใช้ผ้าสะอาดแตะซับแผวเบาและสอบถามความรู้สึกว่าปวดหรือแสบหรือไม่แตลพินกระพัวเราะเฉยประหลาดที่สุดแผ่นหลังบริเวณนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยคริสติน่าบอกขึ้นดังๆแกทุกคนหน้าตาตื่นแรลพินขยับเสื้อให้เข้าที่แล้วลุกขึ้นเดินหนีมานั่งที่เดิม ระหว่างที่ทุกคนเผลอและหมดความสนใจในเรื่องนี้ไปแล้วเชิ์ดวุดก็เดินย่องกลิบตามหลังพรานใหญ่ออกมาเมื่อเห็นเขาลุกขึ้นแล้วเดินตรวจไปดูเข้าของสัมภาระกระิบเรียกเบาๆพี่พี่เดี๋ยวตะพินหยุดหลอพอเชอิ์ดวุดเข้ามาใกล้ก็เลิกคิวเหมือนจะถามถามจริงๆเหรอพี่นี่พี่มีอะไรดีไคเหมือนทิ้งทาอะไรพี่ไม่ได้ขนาดเสื้อหม้ไปแบบนั้นแล้ว หนังยังไม่พองแม้แต่นิดเดียวประพินกอดคอเชิดวุธให้เดินไปด้วยกันแล้วค่อยๆปรินพระยัน์สีแดงเล็กๆในกระเป๋าเสื้อออกมาแง้มให้ดูในนั้นมีวัตถุอะไรชิ้นนิดหนึ่งทำด้วยโลหะเป็นรูปพระปิตวานทั้งเก้าองค์เล็กนิดเดียวแร่บางไผโลประจิบและบรรจงห่อตามเดิมยัดลงไปในกระเป๋าเสื้อของเชิดบุษอ้าวไอ้น้องเก็บไว้พี่ให้เลยไฟน่ไม่ได้แอมหรอกเวลาหิวน้า เอาขึ้นมาอาลาธนาและอมไว้จะไม่หิวน้ำเลยเหมือนกันเชิดวุฒิลึงตัวสั่นด้วยความพิธิประหาปรื้มและงงงันเหลือที่จะกล่าวอ้าวแล้วพี่ละต่อไปนี้จะเอาอะไรคุ้มประพินขยิบตาให้ตบหลังเบาๆเรื่องเล็กไอพี่นะมันมีสารพัดมีอยู่ในตัวอยู่แล้วคุณเอาไว้ใช้เถอะเรายังไม่แน่ว่าจะเผชิญกับไฟนรกอีกเมื่ อ, อไหร่ไม่ใช่คุ้มเฉพาะตัวเท่านั้นคุณกอดใครไว้ให้ใหแนมกระชับ คนนั้นก็จะรอดปลอดภัยด้วยถ้ำกลางพระเพลิงที่โหมรอบด้านว่าแต่คุณจะเลือกกอดใครพริสหรือเบลหรือทั้งสองคนกล่าวจบแท่นั้นเขาก็พระตรงเข้าไปหากลุ่มพรานพื้นเมืองของเขากับอุทะโตและพวกลูกหาบที่กําลังโจ้เนื้อย่างลมควันกับข้าวที่เหลือห่อมาตั้งแต่เช้าวันนี้การพื้นเมืองและกลุ่มลูกหาบเงยหน้ามองเขาเป็นตาเดียวไม่มีใครสักถามและพูดอะไรกับเขานอกจาก สายตาเท่านั้นที่แสดงความยินดีแต่ก็ไม่มีสัญลักษณ์อะไรแสดงให้เห็นชัดนักตามวิสัยของลูกปลาซึ่งการประจนภัยกันอย่างถึงเลือดเพื่ต่อให้ถึงชีวิตเป็นเรื่องพื้นๆประจำวันที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักกันดีอยู่แล้ววิสัยช่างพูดช่างซักช่างสแสวงหาเหตุผลข้หาใช่วิสัยของตนของคนพวกนี้ไม่เอาเป็นว่าเจ้านายของพวกเขาโผล่หน้ามาให้เห็นได้โดย อาการเกือบจะเรียกได้ว่าปกติธรรมดาที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะพวกเขาก็พอใจแล้วมันก็แค่นั้นเองระพินย่อนตัวหัวบลงนั่งใกล้ๆคนของเขาทั้งสีที่กำลังกินอาหารกันอย่างเร่งรีบตำรวจดูคนทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วก็เบาใจที่ไม่พบว่าใครมีอาการหน้าวิตกนอกจากมีรอยไหมผงกันบ้างเล็กน้อยขณะนั้นเชิดวุฒก็เดินตามมาด้วยและซุดตัวลงนั่งรวมวงอีกคน ประเดี๋ยวเตรียมเอาเชือกออกมาได้แล้วบุญคาใครจะผูกคอตายหรือนายตะเท่าถามหน้าตายเสียบุญคําสิจะผูกคอตายเริ่มจากจุดนี้เราจะไต่หน้าผากันแล้วตอนก่อนค่าจะปีนตลอดสัมภาระรข้าวของบางตอนจะต้องใช้พิธีสาวชักลอกกันขึ้นไปอย่างที่เคยทำมาแล้วเหมือนคราวไต่เขาครั้งนั้นตัดขึ้นทางด้านนี่แหละ พอมาถึงพบหน้ากินข้าวยังไม่ทันอิ่มก็ใช้งานเลยนายกูลูกิแชงให้สุกในกองไฟเป็นหมูหันเสรู้แลุลลุลอดพวกเราจะได้กลับบ้านแตนเซธีหรือยังไงไอ้จันแกบ่นอุบอยู่ในลําคอรานใหญ่มองดูได้หางตาบุญคํารู้ทีรีบขยับต่อให้พลรัศมีขาที่จะแกว่งมาถึงสี่ข้างแกได้เชิดวุฒิวเราอออกมาเพรรู้ว่าในบรรดาลูกน้องสนิทของลาพินก็มีเพียงตัดเท่าจอมสัปปะโดกบุญคาคนเดียวเท่านั้น ที่จะกล้าพูดจากกระเซาเยาแย่อะไรพานใหญ่ได้และตัวเขาเองก็สนิทชิดเชื้อกับบุญคำมากที่สุดเพราะความที่เล่นทะลึ่งโลนประกอบไปได้วยความรอบรู้สารพัดของแกช่วยทำบรรยากาศให้คลึกครื้นขึ้นได้แม้ในช่วงที่วิกฤตที่สุดอันเป็นตรงข้ามกับเจ้านายของคนเหล่านั้นซึ่งเครียดขลึมเงียบเฉยเสนจนหน้ากลัวและทายอะไรไม่ถูกแล้วก็จิงดังว่าขณะที่เชิดวุ่นั่งอยู่ด้วยนั้น ทั้งรับพินและคนเหล่านั้นไม่ได้พูดอะไรพาดพิงไปถึงเหตุการณ์น่ากลัวที่ผ่านมาแล้วเลยเหมือนจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดส่วนมากจะเป็นคําสั่งและการปรึกษากำหนดแนวเส้นทางบอกหน้าที่ให้รู้ไว้วะระหว่างไตเขาแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไรบ้างสั่งการพวกนั้นเสร็จรัพินชวนเชิดวุดเดินกลับมายังกลุ่มของนายจ้างซึ่กินอาหารและดื่มน้าสูบบุหรี่คอยกันอยู่สเตนลีย์คีสและอิสเบลกาลังพูดคุยกันเบา ส่วนคริสนั้นครึ่งนั่งครึ่งนอนหลบหมวกมาปิดหน้าไว้ดูเหมือนหล่อนจะมีอาการม้อยหลับไปช่วขณะระหว่างการพักนี้คุณทุกคนพร้อมหรือยังครับก็ถามขึ้นเบาๆเอากันเดี๋ยวนี้เลยหรือสเตนลี่เลิกคิ้วถามเพราะว่ากันว่าเวลาและสายน้ําไม่เคยรอคอยใครเราต้องการทําเวลาอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อยู่แล้วไม่ใช่หรือหรือว่าใครยังไม่หายเหนื่อยอยากจะพักอีกสักครู่ All right man we are ready อิซาเตอบแทนทุกคนพร้อมกับขยับตัวจะลุกขึ้นแต่ละพินกดไลน์ไว้ก่อนที่หล่อนจะทันยืนและตัวเองก็ทรุดลงนั่งด้วยเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันให้รู้แน่ชัดอีกสัก3ามสี่นาทีก่อนเคลื่อนที่เราเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกอะไรให้รู้ล่วงหน้าเรากำลังรอคอยที่จะให้คุณพูดอยู่เหมือนกันเอาไงในผมทรงลานบินถามสวนมาเฮาเา ขอให้ผมถามสักนิดคงไม่คิดว่าจุ่นจ่าหรือเสือกไม่เข้าเรื่องแน่นอนทดลองติดต่อสถานีลอยแหล่งสั่งการของพวกคุณดูแล้วหรื อ, อยังครับผมอยากจะทราบว่าเวลานี้พวกเขาพอจะรู้พิกัดของเราหรือไม่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเขาพูดขณะที่วิ่งแผนที่ทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายอเมริกันและลายแทงเก่าแก่ของมังมหานรธาออกวางเทียบใกล้ๆกันโดยไม่ได้มองดูคนเหล่านั้นเลย แต่ตาจับอยู่ที่เฉพาะแผนที่กับลายแทงนั้นข่าวดีละพินหัวหน้าคณะทํำหน้าที่ตอบมาแทนเสียงแจ่มใสขึ้นเมื่อกี้คิดติดต่อกับผอบังคับการลอยได้แล้วเสียงใสชัดเจนมากและเป็นการติดต่อที่ผู้คนได้รู้เรื่องมากที่สุดนับตั้งแต่เราเออกจากโป่งน้ําร้อนมาเขารู้พิกัดเราแน่นอนแล้วตรงตําแหน่งนี้พร้อมพูดสแอนลี่ชะโ ง, งกไปยังแผนที่ของเขา กลางแพรอยู่กับพื้นหินใช้ปกก า, กกากกาลูกลื่นกากระบาดเป็นเส้นเบาๆลงไปยังที่หมายแห่งหนึ่งเทือกเขาตำแหน่งหนึ่งสามสี่สองสามตอนเหนือของลำน้ำสาละวินระดับสูงกว่าน้ำทะเลห้าพันสี่ร้อยฟิตถ้าข้ามลำน้ำไปก็เข้าเขตลัดวาของสหาภาพพมา่าแล้วโดยยังไม่เงยหน้าขึ้นเขาถามเรียบๆต่อไปแวดไปว่า แน่ใจเลยครับว่าความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายคือเราข้างล่างและเขาเขาข้างบนถูกต้องแน่ใจที่สุดคิดเป็นคนบอกอย่างหนักแน่นเขาบอกว่ายังไงบ้างครับเราใบหน้าเขา้าเส้นทางที่ถูกต้องตามข้อสันนิษฐานของเขาหรือเปล่าทั้งคิดและแซนลียิ้มออกมาอย่างพอใจในคิดเข้าไปโอบกอดไหล่เขาไว้เขาบอกว่าเราใบาหน้าเข้าไปในแนวเส้นทางที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วโดยทิศที่เขากําหนดไว้ทั้งหลายแหละมันเป็นเพราะ สมรรถภาพในการนำของคุณเพียงคนเดียว<ะ>การติดต่อระหว่างเรากับอบังคับการขาดไปหลายวันพอติดต่อกันได้สักซ้อมกันก็ปรากฏว่าถูกต้องอิตาลเกต 5-5 ประโยคหลังพันเอกแห่ง US Army ผู้เชี่ยวชาญการบินหัวเลาะลั่นออกมาอย่างยินดีสบายอกสบายใจเป็นอย่างยิ่งกระพินกระดกปลายลิ้นออกมาแตะริมฝีปากตาเหลือบ เทียบกับลายแทงซึ่งไม่มีใครเข้าใจได้ว่าเขาเปรียบเทียบคำนวณหาที่หมายอะไรป่าก็บอกเบาๆว่าถ้างั้นผมก็สบายใจไปได้เปรา ะ, ะหนึ่งแล้วมีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับจากข้างบนเขาคำชับให้เรามุ่งองศาเหนือโดยตลอดและเตือนให้ระวังพายุฝนก่อนค่ำวันนี้และอย่างช้าก็ในเวลากลางคืนก่อนเที่ยงคืนแล้วคิดก็แงน้ามองทองฟ้าบอกต่อไปว่า เราดูจากข้างล่างนี่มองไม่เห็นเขาฝนเลยแดดมันจ้าแรงยังกะจะให้ย่างให้เป็นให้สุกอย่างนั้นแหละแต่ข้างบนมีเครื่องมือจับการเคลื่อนไหวของสภาพอากาศได้เหนือกว่าสายตาเปล่าของเรามากและรู้ไมล์ละพินไอพวกข้างบนประหลาดใจกันใหญ่ว่าเราเดินกันยังไงมันถึงรวดเร็วไม่น่าเชื่ออย่างนี้มันบอกว่าแต่ละคนมีปีกบินได้หรื อ, อยังไงข้างบนสังเกตเห็นควันไฟจากไฟไหม้ทุ่งด้วยเรารายงานให้รู้แล้วว่า พวกเราผ่านพ้นทุ่งที่ราบสูงนั้นมาได้เรียบร้อยแล้วหัวหน้าคณะเสริมอีกคนยิ้มยิ้มผมทราบมานานแล้วว่าเครื่องมือในเครื่องบินแบบใช้งานจารกรรมของพวกคุณมีอุปกรณ์ทันสมัยเรากับดวงตาของพระเจ้าที่มองเห็นอะไรข้างล่างได้เสียอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่สามารถจะตรวจหาตำแหน่งตกแน่นอนของ B ห้าสิบสองลำนั้นได้นอกจากจะระบุไว้ในพื้นที่บนผิวโลกที่กว้างขวางเหลือเกิน แต่เอาล่ะเราจะลองกันดูถ้าวิทยุยังสามารถติดต่อกันได้แบบนี้มันจะช่วยเราได้เป็นอย่างมากลักษณะของภูมิประเทศในตอนนี้ก็ <Vegeta. S 2> บอกมาหรือเปล่าครับว่ามองจากเบื้องสูงหเห็นเป็นสภาพอย่างไรบ้างก็บอกสั้นๆแต่เพียงทิวเขาสูงและป่าทึบมากและจะสูงขึ้นไปทุกขณะกระพินไม่แสดงความเห็นอะไรในข้อนั้นทับแผนที่และลายแทงลงกับลงเป้หลัง อย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนแล้วตะกี่ต่อไปนี้ก่อนค่ําเราก็จะปีนเขากันตลอดทุกคนเตรียมอุปกรณ์ไต่เขาได้แล้วครับภายในสองวันเราจะตัดขึ้นปีกซ้ายของภูเขาใหญ่รูปนกอินทรีให้ได้และจากนั้นจะเป็นที่ราบบนเชือกเขาไปอีกระยะหนึ่งอันตรายตอนนี้ก็มีแต่เฉพาะการไต่หน้าผาชันอย่างเดียวราบบางตอนจะต้องใช้เชือกโขนขึ้นไปแต่เราจะไม่รีบร้อนกันนะ ใส่กันไปตามสบายขึ้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นมีวังน้ำกว้างใหญ่อยู่บนเทือกนี้ตำแหน่งหนึ่งต้นทางของสายน้ำตกจะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เราจะไปพักนอนกันตรงนั้นมีอะไรจะเตือนเราได้บ้างในการไต่เทือกเขาลูกนี้อิสซาเบลถามนอกจากเรื่องที่ให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังขนาดที่ปีนไต่ขึ้นไปตามแง่หินหรือหน้าผาชันบางกอนแล้วก็ให้ระวัง ในด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของอากาศไว้ด้วยร้อนจัดหนาวจัดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและฉับพลันจนร่างกายอาจปรับไม่ทันเตรียมยาวไว้ให้ดีด้วยผมเกรงว่าพวกเราอาจมีใครเจ็บป่วยขึ้นได้อย่างกระทันหันขณะนี้พอให้พวกคุณทุกคนทราบไว้ด้วยว่าเราแตะทเท้าเข้าเขตที่ชาวป่าแถบนี้เรียกกันว่านรกดำแล้วทำไมถึงต้องเรียกอย่างนั้นอิสเบลถามอย่างไม่เดียงสา คำว่านรกดำได้ถูกเรียกขานกันมาอย่างนี้แต่บัพบพรพปัตะการ น, นานมาแล้วสำหรับป่าหลงสำรวจเหมือนโลกล้างถัดจากนี้ไปสาเหตุก็อย่างเคยเล่าให้ฟังคือใครก็ตามที่ดันทุลังจะบุกบั่นไปให้ได้จะไม่มีชีวิตกลับออกมาให้โลกภายนอกเห็นได้อีกเลยแต่พวกคุณไม่ต้องกังวลหรอกเพราะอย่างนั้นผมก็เคยผ่านไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็กลับออกมาได้ด้วยทุกคนนิ่งไปอึดใจ เราเชื่อคุณเต็มที่แม้จะเป็นที่กล่าวกันว่าจะไม่มีใครโชคดีติ ด, ด, ดกันสองครั้งหรอกอย่างไรก็ตามในครั้งนี้คุณน่าจะได้เปรียบกว่าการไปในครั้งแรกมากเพราะเครื่องช่วยชีวิตทางด้านวิทยาการก้าวหน้าของเรามีมาพร้อมครับด็ตอร์ผมเองก็พยายามปลอบใจตนเองเช่นกันไปหรื อ, อยังประโยคหลังเขาพูดง่ายเหลือเกินไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยทุกคนขยับตัว ยกเว็นคริสคนเดียวที่ตรอเวลาเห็นการหาหรือหลอนนั่งพิงหินอามวกปิดหน้านิ่งสงบโดยไม่ได้เข้าร่วมวมงอะไรเลยระพินทันไปพบก็จ้องอย่างพิพินิษก็สังเกตเห็นหลอนอิดโรยป้อแป้ไปมากกี้กับเชิดวุดเดินเข้าไปเขย่าไล่เรียกเสียงอูเอก็ดังออกมาเป็นภาษาเดิมของเผ่าพัานตนอาการเหมือนจะเผลอตัวว่าโอ้พีสไอวอนต์ทูสลปเมื่อนั้นระพินไพรวันก็ก้าวเข้าไป พ่มลงตรงหน้าเอามือขยับปีกหมวกหล่อนขึ้นก็เห็นหลับตาอยู่จึงดีดนิ้วเข้าไปที่ใบหน้าเสียงดีดนิ้วของเ้านั่นเองทําให้หล่อนเผลอเปลือกตาอันอิดโรยขึ้นคุณจะนอนที่นี่ไม่ได้ไม่งั้นอาจถูกทิ้งไว้คนเดียวเข้าใจไหมเสียงของเขาแววเข้าไปกระทบโซตประสาทของหล่อนให้ผมทองเบิกตาโปรงอย่างรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีมองไปรอบๆเห็นพักพวกลายร้อมมองเป็นตาเดียวมาก่อนแล้วโดยเฉพาะ ผู้ที่นั่งตรงหน้ากำลังจ้องมองเหมือนจะค้นหาความผิดปกติก่อนจึงขยับตัวลุกขึ้นด้ลักษณะแข็งใจและคีดกับเชิร์บุสก็ช่วยกันเก็บปืนของหลอนที่วางไว้ข้างตัวประคองไปพูดอะไรกันอยู่เบาๆพรานใหญ่มองหน้าด็อเตอร์แซนลีและหมอเบลถามว่าผมรู้สึกว่าคริสจะไม่สบายนะคะฝ่ายวันนี้ท่าทางจะเปรี้ยระโหยไปมากแซนลี Stanley กับเบลมองดูตากันอึกอักเล็กน้อย แต่หัวหน้าคณะก็ยิ้มขึ้นๆป่ายวันนี้อาการของคริสไม่ค่อยจะดีนะเบลให้ยาระงับประสาทเข้าไปเลยทำให้ง่วงซึมยาระงับประสาทกระพินอุทานขโมดคิ้วอะไรกันนี่เราจะต้องเดินทางกันเดี๋ยวนี้แล้วจำเป็นขนาดไหนที่คุณจะต้องให้ยาระงับประสาทในขณะที่เรากำลังจะไต่เขาปรเดี๋ยวก็เกิดอุบั ต, ติเหตุขึ้นเท่านั้นเบลถอนใจเบาๆมันอยากจะบอกอะไร ความจริงแต่ไม่กล้าจึงเลี่ยงไปว่าก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการง่วงนอนหรอกฉันเชื่อว่าคริสพอจะไปกับเราได้แม้ว่าอาจเชื่องช้าไปบ้างและถ้าไม่ลังเกียฉันอยากให้คุณประกบติดตัวเขาไว้ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในเส้นทางฉุกเฉินพลาดพลั้งอย่างไรคุณจะได้ช่วยทันการตามปกติคุณก็เห็นแล้วว่าคริสทอหดบึกบุนที่สุดแอมนาจยาระงับประสาททาให้เขาเชื่องช้าและง่วงนอนขาดความคล่องตัวไปบ้าง จอมพรานขยี้จมูกสะบดอะไรอุบอิบในลำคอก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเดินหนักในวันนี้ไม่จำเป็นจริงๆคุณไม่น่าจะให้ยาละงับประเภทนั้นแกคริสเลยเดี๋ยวได้หล่นลงมาเละกันบ้างเท่านั้นลงลงก็มันจำเป็นนี่น ะ, ะนนนนคุณไม่ได้เป็นหมอคุณจะรู้ดีไปกว่าฉันได้ยังไงถ้าคุณไม่อยากจะดูแลคริสฉันจะดูแลเขาเองก็ได้ประพินเดินตรงเข้าไปที่คริสติน่าทันทีขณะนั้น เชิญวูธกำลังเอากระดาษเคมีสำหรับเช็ดหน้าส่งให้หลอนรูปหน้าปลุกความรู้สึกอยู่คริสพอตายไหวไหมหล่อนฝืนยิ้มพยักหน้าตอบสั้นๆวะ่ะไหวอย่าโปหกตัวเองไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นตอนนี้ง่วงจัดใช่ไหมแล้วก็ไม่มีแรงเขาขาดคั้นนี่คุณสุภาพบุรุษหลอนเน้นเสียงชัดเจนผัก อ, กอกเขาเบาๆประพินเซหลังไปก้าวหนึง่งขอบขอบคุณที่เป็นห่วง ตอนนี้ฉันหายง่วงแล้วและก็พอมีแรงพอที่จะไต่ขึ้นสวรรค์หรือดิ่งนรกกับคุณได้เสมอไม่ว่าคุณจะนําไปทางไหนถ้าคุณคิดว่าฉันจะเป็นอุปสรรคท่วงเวลาเดินทางของพวกเราเราก็เลิกคิดได้แล้วแววตาของพรานใหญ่ที่เคร่งเริ่มอ่อนโยนลงยิ้มให้น้ําเสียงก็นุ่มลงด้วยขณะที่ชี้ขึ้นไปยังยอดเขาลิบลบิบนนั้นถ้าขึ้นไปถึงคุณจะมองเห็นสวรรค์จริงๆเพราะภูมิประเทศสวยงามมาก มนุษย์น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้พบเห็นจะมีสะใหญ่น้ำใสสะอาดกอบัวบานสะพรั่งมีหงขาวและหงดำลอยฟ้องและดอกไม้นานาพันแต่ก่อนที่จะปีนขึ้นไปถึงเราจะไต่ไปตามขอบของนรกถ้าพลาดนิเตียวแทนที่จะเห็นสวรรค์ก็จะเห็นนรกแทนผมอยากให้พวกคุณพบกับสวรรค์ไม่ใช่นรกเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนอนพระออกกาลังสักสองชั่วโมงก่อนไหม ผมและพวกเราทุกคนรอได้ฉันอยากเห็นสวรรค์ที่คุณพันนาไว้และไม่อยากจะนอนหลับอยู่ตรงตำแหน่งนี้เหมือนนรกที่มันร้อนระอุเรากับบนภูเขาไฟว่าแต่บนสวรรค์นั่นจะมีเทพบุตรไหมเทพบุตรที่มีน้ำพระทยัยอันเมตตาดีงามให้ความการุณาแก่ผู้หญิงถอยๆสักคนหนึ่งกล่าวจบเพียงแค่นั้นคริสตินาก็เดินพระจ้เขาเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกพลานพื้นเมืองซึ่งบัดนี้กาลังเตรียมพร้อมแล้ว โดยกระชากเอ็มจากมือของคริสติดตัวไปด้วยขณะเดินลักษณะเดินของหล่อนพังงาดเต็มไปได้วยความสง่างามในคุณลักษณะเดิมโดยซ่อนแววอ่อนเพรียวไว้อย่างมิดชิดระพินภพยวันยืนนิ่งแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบของเชิดวุ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจะคอยดูแลคริสไว้เอง <c oughs> บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตของทุกคนในคณะระบายลมหายใจยาวตบไหล่นายทหารรุ่นน้องพูดแผ่วเบา ว, ว่า เขาครั้งนี้พยายามระมัดระวังตัวคุณเองให้มากที่สุดออกชีวิตของตัวเองไว้ก่อนที่จะไปคิดถึงคนอื่นขอให้รู้ไว้ด้วยว่าผมเป็นห่วงคุณมากกว่าใครทุกคนน้องชายแล้วการเดินทางในลำดับต่อไปก็เริ่มขึ้นเมื่อแซนเรียนเป็นหัวหน้าคณะตะโกนบอกโอเคมูฟพวกลูกหาบพยอยแบกของปีนป่ายขึ้นไปก่อนโดยการนาหน้าของบุญคาซึ่งรู้แนวเส้นทางตามนัดแนะไว้ก่อนแล้ว เครื่องมือในการไต่เขาเริ่มนำออกมาใช้อีกครั้งเหมือนเหมือนเมื่อตอนตัดขึ้นหน้าผาก่อนจะบ่ายหน้าเข้าสุโปร่งน้ำร้อนเมื่อสามสี่วันก่อนกลุ่มนายจ้างคอยควบคุมดูแลและตามไปเบื้องหลังอย่างระมัดระวังบุญทําเองมีวิทยุคอยรับฟังคำสั่งจากกระพินอยู่ตลอดเวลาที่จะให้เบี่ยงอ้อมหรือบ่ายเบนไปในเส้นทางใดอันเขาพิจารณาเห็นว่าปลอดภยัยและเสี่ยงน้อยที่สุด ตัวจอมพรานเองขณะนี้เดินอยู่รังท้ายสุดเพื่อจะได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของแต่ละคนได้อย่างถนัดโดยตลอดส่วนฝ่ายนายจ้างอเมริกันและเชิร์วูดนั้นไต่ทางเกาะกลุ่มกันขึ้นไปโดยมีคริส ซ, ซึ่งคงจะเป็นด้วยความมุมานะหรืออะไรก็ตามทีในกลุ่มของหล่อนนี้หล่อนเองไต่ ต, ตามติดหลังขบวนลูกหาคู่ล้าหลังสุดคือคู่ของอุถาและพาโต้กเ็เรียงอาสาสมัครที่ขอติดตามมาด้วยในครั้งนี้ด้วยความสำนึกในบุญคุณที่อเมริกันพวกนี้ ได้ให้การอนุเคราะห์พวกตนเป็นอย่างดีประกอบกับที่มีความเคารพนักถือรพินเป็นทุ่มเดิมอยู่แล้วทดแทนให้กับแก่ลูกหาบสองคนที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเส้นทางอันเริ่มจะไต่ขึ้นสูงเป็นลำดับนั้นครั้งแรกก็ใช้วิธีค่อยๆเดินตามแก่งแง่หินเกาะเหนี่ยวต้นไม้หรือรากไม้ที่งอกแทรกหินอยู่ทั่วไปขึ้นไปก่อนบางตอนเอ็สูงขึ้นไปประมาณสองศาในตอนแรก ต่อมาก็ค่อยๆตั้งชันขึ้นทุกขณะกลายเป็นหกสิบและเจ็ดสิบองศายิ่งมุมเงยสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวและปีนป่ายกันขึ้นไปได้วยความยากลําบากและออกแรงเหนื่อยเพิ่มขึ้นเท่านั้นการไต่ขึ้นสูงพบกับตะพักไหลทางอันพอเป็นที่พักอาศัยหยุดรอกันได้เป็นช่วงๆระยะระยะไปแล้วก็เริ่มไต่กันขึ้นต่อไปอีกอ้อมขูดชะงอนหินใหญ่บ้างตัดทางมุดเข้าไปในช่องของหินทะลุ เป็นโพรงปร่องระยะสั้นๆบ้างความเหน็ดเหนื่อยมาหาหินของเส้นทางทำให้ทุกคนจําไม่ได้ว่าผ่านแก่งแง่โคดหินหรือโพรงชงอ่อนมาแล้วกี่แห่งกี่ตอนพวกสัมภาระนั้นพอ ย, ยิ่งสูงขึ้นไปก็เริ่มจะมีการผูกเชือกชักลากสำหรับสิ่งที่ไม่สำคัญและทนทานต่อแรงกระทบกระแทกได้และชักรอกสาหรับอุปกรณ์ที่จะกระทบกระทั่งสะเทือนไม่ได้ กันบ้างและเสียงบุญคำตะโกนโหวกเวกปงการในการลำเลียงของขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาในภาวะเช่นนี้ฝ่ายนายจ้างทุกคนจึงเห็นได้ชัดว่าแกสามารถควบคุมการเดินทางประสานงานกับประพินได้อย่างวิเศษสุดระหว่างคนที่นำไปเบื้องหน้าหัวขบวนสุดกับอีกคนหนึ่งเป็นเจ้านายที่ควบคุมบงการอยู่ด้านหลังสุดเกิดเสยและจัน ก็ให้การร่วมมือได้ชนิดเป็นทีมเวิร์อย่างยอดเยี่ยมแสดงถึงความคุ้นเคยที่ผ่านงานร่วมกันมาอย่างดีพวกนั้นคอยประกบคุมพวกลูกห่าและคอยช่วยเหลือในการลำเลียงของอยู่ตลอดเวลาในช่องของเส้นทางตอนไหนที่วิบากมากไม่มีใครเอาเปรียบปีนไต่นำตัวเองขึ้นไปตามลำพังโดยทอดทิ้งพวกลูกค่าให้ต้องทุรักทุเลอยู่กับสัมภาระที่ต้องแบกหามขึ้นไปด้วยเหล่านั้นเลย เห็นการทํางานของพวกนั่นแหละวฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ก็นึกชื่นชมนิยมอยู่ในใจตัวหัวหน้าคือระพินนั้นไม่ใช่จะสามารถแต่เฉพาะการเป็นมักคุเทศนําทางหรือหลักประกันในความปลอดภัยของทุกคนในคณะแต่ประการเดียวเท่านั้นการคุมทีมงานของเขาและการประสานงานในหน้าที่ของพลานทั้งสี่ของเขาจัดได้ว่าวิเศษสุดเชิดวูทนั้นด้วยความเป็นห่วง และด้วยใจที่พวงอยู่ก่อนแล้วเขาติดหลังคริสตินาไปอย่างกระชั้นชิดโดยปล่อยให้สแซนลีคีตและอิสเบลรวมกลุ่มกันอยู่เบื้องหลังคอยดูแลและมัดระวังเป็นพี่เลี้ยงและเตือนแม่ผมทองอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เพราะเกรงจะพลาดพลั้งแต่ลําพังตัวเขาเองจะช่วยอะไรได้มากนักในเมื่อเส้นทางชนิดนี้ลําพังตัวเองก็แทบจะเหลือรับประทานอยู่แล้วทุกคนเหนื่อยกันจริงๆในการปีนไป่ายไปตามเช้งอ่อนหิน ซึ่งบัตรนี้ถ้าจะเหลียวกลับลงมามองข้างล่างก็เห็นทองทุ่งและตีนเขาอยู่ต่ําริบๆลงไปและจะทิ้งห่างไกลขึ้นไปตามลําดับภาพที่มองกันจากข้างล่างนั้นมันกินตามากเพราะดูแล้วก็ไม่น่าจะลําบากยากเย็นอะไรนะแต่พอมาปีนกันจริงๆกว่าจะต่ผ่านขึ้นไปได้ทีละขั้นทีละตอนของไหล่ขากํากลังขาไขาข้อไม่ว่ามือและเท้าแทบจะหมดสิ้นเหงื่อออกโซมกายจนเปียกชุ่มเหมือนอาบน้า อ่าปากหอบกันเล่ากับหมาหอบแดดโดยเฉพาะพวกอเมริกันหน้าแดงเป็นกุ้งเผาไปเลยเระพินคงตามหลังมาเป็นระยะๆะะอยู่เช่นเดิมและทุกคนก็เข้าใจดีว่าเหตุใดเขาจึงต้องคอยระวังหลังอยู่เช่นนั้นเพราะจะต้องอํานวยการในด้านนําคณะทั้งหมดให้ขึ้นไปตามแนวทางที่เขาเห็นว่าปลอดภัยที่สุดและปรึกษาทางวิทยุกับบุญคําอยู่แทบตลอดเวลาเหมือนกับว่าจะตัดขึ้นทางไหนเพื่อให้สะดวกที่สุด ขนทางจึงต้องอ้อมเลี้ยววนซ้ายเวียนขวาอยู่ตลอดเวลาเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านเสียงเขาถามออกมาจากเครื่องรับวิทยุของทุกคนซึ่งขณะ น, นี้แม้จะเน็บเอวอยู่ก็เปิดเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะพูดติดต่อกันได้เพราะเส้นทางเดินเรียงแถวนั้นขึ้นไปเหมือนงูกินหางเป็นระยะห่างกันเป็นกลุ่มๆช่วงๆยอมรับว่าเต็มกรืนทีเดียวระพินเสียงต่อผอ บ, อ, บออกมาจากแสนลลี่เพราะ คีดเบลและคนอื่นๆเหนื่อยเ จ, จนพูดไม่ออกช้าๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบค่อยๆขึ้นไปยิ่งออกแรงมากจะยิ่งเหนื่อยการเกาะแง่หินเหนียวกิ่งไม้หรือรากไม้เขาให้สังเกตพวกพรานของผมก่อนว่าเขาใช้ยึดตรงไหนที่ฉะนั้นมันอาจไม่มั่นคงพอและหลุดกลิ้งลงมาได้เขาบอกขึ้นไปได้วยน้ําเสียงอ่อนโยนและฟังดูอบอุ่นที่สุดและนี่ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ทั้งคณะเคลื่อนไหวคืบหน้ากันไปได้อย่างเช่มช้า พวกลูกหาบนั้นมือตีนเหนียวเรากับตูกแก่แล้วก็เห็นว่าแต่ละคนทรหนผิดมนุษย์มนาที่สุดก็คือคนเหล่านั้นไม่ได้ขึ้นไปตามลําพังตัวเปล่าๆแต่ยังมีภาระต้องประคับประคองนําหีบห่อสัมภาระขึ้นไปด้วยแต่ละคนก็ไม่ใช่รูปร่างใหญ่โตแข็งแรงอะไรนะตรงข้ามเกือบทั้งหมดรวมทั้งอุทาและพาโตรูปร่างผอมเกร็งในลักษณะเหมือนคนขาดอาหารแต่คนเหล่านี้เกิดมาเหมือนจะเพื่อ ง, งานนี้โดยเฉพาะทุกคนฝ่ายอเมริกันจึงได้ ความรู้แน่นอนเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งว่ารูปร่างลักษณะร่างกายของมนุษย์เหล่านั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยมันสำคัญที่ว่าใครมีความชำนาญอย่างใดและฝึกฝนอบรมเคยชินมาอย่างใดเท่านั้นชี้ตัวเรากับยักษ์ลำข้อกับนักมวยปล้ำเราดีๆนี่เองแต่ในภาวะเช่นนี้ในนั้นดูเหมือนจะแทบหมดเรี่ยวแรงก่อนทุกคนในภาวะที่ต่อสู้กับแรงดึงดูดของโลกเช่นขณะ น, นี้ไม่มีสัตว์ใดที่จะพาดมาให้เห็นเลยแม้แต่เงา ในเส้นทางที่ไตช่ชะ ง, งอนหินหน้าผาสูงสูงต่ำต่ำเหล่านี้ขึ้นไปอาจพบเห็นบ้างก็มูลของเลียงผาซึ่งไม่บ่อยนะและทุกคนก็ไม่สนใจที่จะสังเกตดูเนื่องจากความเหนื่อยนอกจากเกิดผู้เกิดผู้คอยช่วยเหลือผู้ของอูถาและพาโตสกิดชี่ยเชิดวุฒิเห็นอาจมีเสือดาวบ้างเหมือนกันแต่เรามากันเป็นขบวนมากๆแบบนี้มันไม่โผล่มาให้เห็นหรอกเกิดบอก ถ้าไอช้างนรกโคงนั้นคอยดักอยู่ข้างบนงัดหินใส่เราแล้วก็ูมีประเทศแบบนี้เราไม่มีทางหลบได้เลยนอกจากตกเขากันหมดนายทหารหนุ่มพูดอย่างยากเย็นป้ายแขนเช็ดเหงื่อผ่านท้ายลายเฟิรนของเขาในขณะนี้ถูกนำมาใช้แทนไม้ทําถอพยุงล่างแล้วหน้าผาตอนนี้ชันมากช้างมันขึ้นมาไม่ได้หรอกนายทหารแล้วแง่หินแถบนี้ก็เป็นหินเปราะช้างมันรู้ว่ารับน้าหนักตัวมันไม่ไหวเกิดให้คารับรอง เพื่อตัดกังวลหวาดระแวงของเชิดวุคริสคงไม่พูดอะไรอยู่ตามเดิมลันไตาตามเส้นทางของเกิดไปอย่างชนิดซ้ำรอยทีเดียวโดยไม่แยกไปทางอื่นและอยู่สูงกว่าเชิดวุษประมาณหนึ่งช่วงตัวสแตนลี่และคิดผู้ใช้ไรเฟิลใหญ่ขนาดหนะักปัดนี้ก็มีอาการเดียวกับเชิดวุษแล้วเช่นกันคือใช้ผ่านท้ายปืนช่วยยันเสียงระพินจริงดังเตือนขึ้นมาว่าระวังเรื่องไรเฟิลครับ ถ้าจะใช้ยันพื้นแบบนั้นขอให้ทุกคนถอดกระสุนที่บรรจุในลังเพลิงออกเสียก่อนนัดที่อยู่ในลังเพลิงขอให้เอาออกเสียทุกคนของไฟนายจ้างเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และเข้าใจในคําเตือนของเขาใครที่บรรจุลูกไว้แล้วแต่เข้าห้ามไกหรือใช้วิธีลดนกจึงเปิดลูกเลื่อนถอดกระสุนนัดที่บรรจุพร้อมอยู่ในลังเพลิงออกเสียบในลังกระสุนตรงอกเสื้อไว้เหลือเฉพาะที่บรรจุอยู่ในแม่กระซีน โดยยังไม่ส่งลูกขึ้นลำส่วน M16 พับฐานอันเป็นปืนน้ำหนักเบาซึ่งคริสและเบลใช้ชสภายอยู่ก็ถูกเตือนให้มาตรวจสอบคันห้ามไกซึ่งก็ปรากฏว่าของเบลแงหินหรือลากไม้ก็ไ ม, กไม่ก็ไม่ทราบเกี่ยวเอาคันห้ามไกให้เบนมายังตำแหน่งปูออโต้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพอตรวจพบหลอนก็ตกใจรีบเข้าห้ามไกตามเดิมทันทีพร้อมกับถอนใจเพือกพูดเบาๆกับพักพวก คนคนนี้นี่เหลือหลายจ ร, จริงๆอ่านอะไรต่ออะไรของพวกเราออกหมดทุกภาวะทุกเหตุการณ์ก็คนที่หน่วยเนื้อของเราเลือกเฟนไว้ให้แล้วสแตนลีย์บอกกับบุคคลใต้บังคับบัญชาของเขาสั้นๆสามคนของชุดนั้นประกอบด้วยหัวหน้าคณะคีดและเบลซึ่งก อ, อกลุ่มกันไปใกล้ชิดที่สุดค่อยๆช่วยกันชุดช่วยกันประคองแล้วดึงกันขึ้นไปกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเชิดวูดคริสและเกิดก็พยุงกันขึ้นไปอีกกลุ่มหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกกันว่าเลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวของการเดินทางทั้งๆ ท, ท, ที่ดูแต่แรกขณะอยู่เชิงเขาต่างก็รู้สึกว่าไม่หนักหนาอะไรนะระยะประมาณไม่เกิน30สบหลาจะถึงบริเวณหน้าผาตัดชันที่ขวางอยู่เบื้องหน้าและหนทางก่อนจะเข้าถึงตีนผานั้นเป็นแนวไหลของน้าฝนแต่บัดนี้แห้งผาพื้นอุดมไปด้วยก้อนกรวดเล็กๆใหญ่ๆ และมันเทลาดในมุมที่สูงไม่น้อยทีเดียวบุญคำตีมือพวกลูกหาให้พยายามเลี่ยงอ้อมเส้นทางนั้นออกไปทางด้านขวามือซึ่งมีต้นไม้เล็กๆงอกอยู่ประปรายอุดมไปได้วยโขดหินใหญ่น้อยส่วนคริสหยุดพิจารณาดูเส้นทางที่จะเข้าไปยังโคลนผาตอนนั้นหลอนรู้ดีว่ายิ่งอ้อมเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเวลาและเหนื่อยหนักเข้าไปเท่านั้นและก็รู้้วยว่าพวกลูกหบจาเป็นจะต้องอ้อมทางเพราะไม่สะดวกต่อภาระที่แบกหาม อันอาจจะทำให้ถลายลื่นได้ในเส้นทางที่หลอนไม่หยุดยืนดูอยู่เชิดวุฒเดินตามขึ้นมาทานและหยุดหายใจตัวโยนอยู่พร้อมกับแตะแขนแม่ผมทองคริสตีออกขวาตามหลังพวกลูกหาบไปหลอนสันศีษะบุ้ยปากให้ดูเส้นทางอันมองเห็นอยู่ลง่ลงๆใกล้ๆพวกเระตัวป่ากันทั้งนั้นวุดอย่างมากภาราที่ถือก็แค่ปืนชันว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปตามทางน้าไหลนี่ดีกว่าจะถึงเร็วกว่าพวกนั้น เราไปถึงก่อนก็จะไปรอพวกเขาอยู่ทางตีนผานั้นฉันไม่อยากอ้อมอีกแล้วความไม่รู้ภูมิประเทศและความไม่ค่อยจะเดียงสากับปลาดงผงไพรามาก่อนของเชิดวุฒิทำให้เขาไม่ระแวงเฉลียวคิดอะไรทั้งสิน้นตกลงผมนำเองคุณคอยตามหลังไว้ว่าแล้วเขาก็งุ้มตัวขึ้นไปเบื้องหน้าต้านกับแรงฉุดดึงของโลกแล้วค่อยๆตะกายขึ้นไปทางลยกรวดโลง่ลง เรากับใครจะตัดเป็นถนนอย่างดีไว้ให้นั้นทันทีโดยมีคริสติน่าตายตามหลังเชิดบุญนั้นพอก้าวไปได้สองสามก้าวพื้นกรวดก็ร่วงพลูลงมาแล้วแต่ไม่มากนะักปลายรองเท้าของเขาจิกเอาไว้ได้ยันพื้นแข็งที่รองอยู่ภายใต้และส่งผ่านท้ายปืนไปให้คริสเพื่อให้ใช้เป็นเครื่องยึดดึงตัวขึ้นมาแต่แต่แค่อาศัยพยุงตัวไว้เท่านั้นนะคริสอย่าฉุดแรงนะักเดี๋ยวเสียหลักลงไปด้วยกันเขาบอกเบาๆคริสเอื้อมมือไปควา้า ผ่านท้ายลายเฟิรของเชิดวุดที่ยื่นส่งมาให้อีกมือเกาะพื้นที่หาความมั่นคงอะไรไม่ได้เลยนั้นค่อยๆพยุงกายขึ้นไปทั้งๆ ท, ท, ที่โดยแท้จริงรอนก็อ่อนเพลียและง่วงนอนอยากพักผ่อนมากที่สุดระวางวุฒคริสเสียขึ้นทางด้านนั้นเสียงพรานใหญ่ร้องตะโกนขึ้นมาสุดเสียงเรื่อนี้ไม่ต้องใช้วิทยุแล้วเพราะเสียงร้องลั่นภูเขาอันเงียบสงดของเขาและตัวเองกับชั้นไล่หลังทุกคนขึ้นมาใกล้โดยไม่ได้เว้นระยะห่างเกินไปนะัดมันช้าไปเสียแล้ว พร้อมๆกับเสียงตะโกนของเขานั่นเองคริสฟูกำลังไต่ขึ้นก็ถลายพรวดเดียวหลักเสียหลักลูดถอยลงมามือหล่อนที่จับผ่านท้ายไหลเฟินของเชิร์บูดอยู่จึงกลายเป็นกระชากดังนั้นเชิร์บูดซึ่งอยู่ในลักษณะยืนกึ่งตะแคงกึ่งเดี่ยวหลังอยู่จึงศีษะปักลงมาแล้วก็ไม่ได้ปักไปไหนทวนประทะเข้ากับคริสฟูกำลังเอาอกคลูดอยู่กับพื้นกรวดนั่นเองในโดยความสูงชันของพื้นที่ โดยพื้นอันเป็นกรวดที่หาความมั่นคงไม่ได้โดยการชุดชักของกันและกันกับการชนประทะ ก, กันเองทั้งสองจึงอยู่ในสภาพเหมือนลูกผนุนกลิ้งกระจัดกระจายลงมาตามเส้นทางที่ไต่กันขึ้นไปราวสิบหลานั้นท่ามกลางเสียงร้องร่นยังตกใจของหัวหน้าคณะคีดและเบลผู้มองเห็นอยู่ตําตาซึ่งซึ่งหน้าหางกันขึ้นไปเพียงแค่ไม่มากนะทุกคนเห็นชัดอยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าฝั่งซ้ายของถนน ปลวกสายนั้นเว้าตัดลงไปในลักษณะหูเหวและร่างของเชอร์ดูดกับคริสที่กลิ้งครุกครีกันลงมากันนั้นก็กลิ้งลงมาแถบนั้นแถบด้านเหวนั้นแซนลี่ชีตและเบลอ้าปากกว้างด้วยความตกใจแต่ไม่มีเสียงใดๆที่จะหลุดรอดลํำคอออกมาได้ในภาวะเช่นนี้ภาพที่ทั้งสองเห็นมันห่างสูงขึ้นไปเพียงเจ็ดแปดหลาใกล้ๆนี่เองเท่านั้นแล้วอเมริกันทั้งสามก็รู้สึกว่าใครคนหนึ่งที่อยู่หลังท้ายสุดตไกลอย่างรวดเร็วผ่านการพุ่งขึ้นที่สูงของเสือดาว เฉียดร่างอันยืนตะลึงของเขาทั้งสองสวนขึ้นไปกรวดใหญ่น้อยบริเวณที่เทราดชั้นนั้นโถมพุ้งระกระจายว่อนหมดในระยะระหว่างที่ปริสตินากับเชิดวุฒกลิ้งลงมาด้วยกันร่างของแม่นะัทเคมีฟิสิกสาวประจำคณะก็หลบแวบลงไปทางเนินผาตัดซีกซ้ายมือนั้นจริงๆแต่ข้อมือข้างหนึ่งของหลอดถูกเชิดวุฒิควา้ายึดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นที่สุดเท่าที่กําลังของเขาจะมีได้เชิดวุฒนั้นขณะนี้อยู่ในสภาพพลิกคว่ำหน้าศรีรษะงโฉงกล้ําลงไป ส่วนกายของคริสลอยอยู่กลางอากาศและกกำลังฝ่ามือของหลอนเองไม่มีแรงพอที่จะจับมือเชอิดบุตไว้ได้ในลักษณะที่โหนตัวอยู่เช่นนั้นแต่นายทหารหนุ่มเป็นผู้ที่ขยุมยึดการรไว้เองและจากแนวเทของพื้นที่บริเวณอันปราสจากที่ยึดเหนียวได้มั่นคงนั้น น้ำหนักของคริสกำลังเหมือนจะท่วงตัวค่อยๆๆเคลื่อนลงไปทีละน้อยไลเฟิรของเขาและ M16 ของคริสหลุดกลิ้งตามกรวดมะกองอยู่เบื้องหน้าของพระพุธอีกสาคนที่ยืนตะลึงหัวใจตกอยู่ที่ปลายเท้าบัตรนั่นเองก่อนที่เชิดวุฒจะเสียดุลถลําต่ําลงไปมากกว่านั้นกระพินก็โจรขึ้นมาถึงก่อนอื่นเขาทิ้งกายลงทั้งตัวกดน้ำหนักทั้งหมดลงบนเอวส่วนหลังของเชิดวุฒเพื่อยึดตรึงไว้ไม่ให้ล่างขงนายทหารหนุ่มที่กําลังจะพลอยลื่นหลุดลงไปด้วยให้หยุดอยู่ณที่นั้นยึดแขงคริสไว้้ใหแนนน่่่ทีสุดเาตโกล ไว้ได้รับคําสั่งซึ่งบัดนี้แยกเขี้ยวเ อ, อื้อมือลงไปจับข้อมือของคริสของคริสตินา่าผู้ลอยคว้างอยู่กลางเวหาเหมือนนักกายกรรมและสงบตัวเองนิ่งอยู่เช่นนั้นอย่างรู้ตัวดีว่าถ้าหลอนมีอาการแกว่งหรือกวยตัวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เชิดวุฒไม่ถนัดและเพิ่มน้ําหนักขึ้นมากเท่านั้นเชิดวุฒพยักหน้าแทนความหมายว่ารับทราบคริสสเตนลี่ขึ้นมาเร็วช่วยกันล้างข้อเท้าเชิดวุฒิไว้ขเขาหันลงไปตะโกนสั่งเร็วปรือต่อไป วันนั้นทั้ง3ที่มัวเตจังงังอยู่จึงได้สติไหวตัวขึ้นพร้อมกันต่างตะก า, า, า, ายไต่ทางขึ้นไปเบลนั้นเร็วกว่า2องชายชาตรที่มัวเตจถลายลื่นอยู่เสียอีกพอถึงหล่อนก็ช่วยฉุดข้อเท้าของเชิดวุฒิอีกแรงหนึ่งจากนั้นสเตลลี่และคิธจึงขึ้นมาถึงอย่างทุลั ก, ท, ลกทุเลและกําลังของคนทั้งหมดก็เข้าฉุดตัวดึงลังเชิดวุฒเอาไว้ไม่ให้เคยื่อนเมื่อแน่ใจที่สุดว่าร่างกายของนายทหารหนุ่มจะไม่พลอยถูกฉุดด้วยน้ําหนักตัวของคริสลงไปอีกคนหนึ่งแล้วร่ารใหญ่ก็ถอยออกจากตััวหลงเช เชื่อกซึ่งคล้องสะพายไหลทําเป็นบ่วงเตรียมไว้ก่อนแล้วย่อนลงไปทันทีตัวเขาก็เลี่ยงลงมาระดับที่สูงกว่าล่างอนอนพังผ้าของเชิดวุฒเล็กน้อยย่อนสายบ่วงลงไปทันทีแหว่งสายบ่วงครั้งแรกมันพลาดจากปลายเท้าทั้งสองข้างของคริสไปเล็กน้อยแต่พอครั้งที่สองมันก็สวมเข้าไปยังเท้าทั้งสองข้างของแม่ผมทองผู้บาด น, นี้รวบขาทั้งสองเข้ามาแนบชิดกันปล่อยร่างกายให้โหนติดอยู่กับกําลังข้อมืออันซันดาริกของฝ่ายที่ขยุ่มจับแขนไว้อี Easy, Chris Dont Move ระพินร้องบอบลงไปันกัดลิมนฟีปากแน่นทําตัวนิ่งแข็งเหมือนหุ่นจอมพรานค่อยๆขยับกระตุกสายบ่วงให้คล้องผ่านลําตัวของหล่อนสูงขึ้นมาเป็นลําดับจนกระทั่งมันขึ้นมาถึงระดับซอกรักแร้ทั้งสองข้างแล้วจึงกระตุกโดยแรงให้บ่วงรัดไว้ในระดับรอบอกใต้ซอกแขนทั้งสองทันทีกระชากแรงๆอีกสองครัง้งเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่าบ่วงจะไม่คลายตัวและคล้องหลวมอย่างมั่นคงอยู่ใต้ซอกแขนทั้งสองข้างโดยไม่หลุดคีตไปยึดปลายเชือกไว้อีกแรงหนึ่งเผื่อผมพลาด ก็สั่งการต่อไปยังรวดเร็วทุกคนด้านบนดูมันจะเข้าใจสภาพนั้นได้ดีที่สุดในคีดผู้กำยำแข็งแรงแต่ค่อนข้างเชื่องชอง้าเขาพระจากการยืนของาการยึดตัวเชิดวุฒิทลาเปตะคุบปลายเชือกไนล่อนสำหรับสำหรับไตของสําหรับไตเข้าของระพินโดยเอามัดพันร่างกายของตนเองว่าเป็นหลักอีกชั้นหนึ่งพร้อมทั้งเตรียมออกแรงฉุดเป็นด่านสองพอระพินออกแรงดึงหลังมันก็เป็นการผ่อนพาระกําลังแขนของเชิดวุฒในทันที ปล่อยมือได้แล้วคุณวูดร้านใหญ่บอกคุณแน่ใจหรือเสียงเชิดวูดร้องแห็บๆบอกว่าปล่อยได้แล้วรับพินกืบจะเป็นตะหวากเชิดวูดจึงปล่อยมือล่างของคริสถูกล้างติดกับเชือกที่คล้องไว้ใต้ซี่โแขนทั้งสองและไม่ต้องเตือนหรือสั่งการอย่างใดอีกเบลกับสเตนลีย์ก็หันมาช่วยกันจับยึดสายเชือกที่ทอดยาวไปเบื้องหลังของรัพินอีก2แรงในขณะที่เชิดวูดยังนอนความยังหมดแรงอยู่เช่นนั้น ทางกันชั่วสองซอกเท่านั้นระหว่างที่ผู้ล้างสายเชือกไว้กับผู้ที่ลอยอยู่กลางอากาศซึ่งเบื้องล่างต่ำลงไปประมาณห้าถึงหกสิบหลาเป็นยอดหินอันระเกะระกะซึ่งเตรียมพร้อมแล้วที่จะเป็นสุสานของใครก็ได้ที่ล่วงล่วนลงไปไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามคริสบัดเส้นผมแงหน้ามองดูเขาขณะที่มือทั้งสองก็จับเส้นเชือกไวประพินเหงือแตกสิกร้องบอกลงไปเบาๆว่า โอเคคริส okay, คุณปลอดภัยแล้วไม่ต้องใช้แรงของคุณไต่เชื่อขึ้นมาหรอกพวกเราจะช่วยกันดึงตัวคุณขึ้นมาเองเขาพูดเสียงดังแต่ล่อนกระซิบปล่อยฉันให้หมดจากภาระของคุณไปเสียไม่ดีกว่าหรือถ้าคุณจะฆ่าตัวตายก็อย่าทําต่อหน้าผมเอาไว้ทํารับหลังแล้พินบอกห้วนห้วแล้วค่อยๆ อ, ออกแรงสาวดึงตัวแม่ผมทองขึ้นมาในขณะที่พักพวกข้างหลังก็ช่วยกันล้างปลายเชือกไว้ราวกับชักคเยอะร่างของรอนขยับสูงขึ้นมาทีละน้อย โดยเจ้าตัวไม่ได้คิดที่จะช่วยตัวเองอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะปล่อยให้ร่างกายที่ลอยคว้างอยู่นั้นทุกว่านขึ้นมาเองจนกระทั่งในที่สุดก็ถึงขอบหน้าผาที่พลัดล่วงลงไปเมื่ออึจใจนิรพินสั่งให้ทั้งสามคนยึดสายเชือกดึงเชือกไว้ให้ตึงตัวเขาเองรวบได้ซอกแขนของแม่ผมทองหิ้วกระชากพ้นขอบหน้าผาขึ้นมานอนคว่ำอยู่บนพื้นระดับเอียงเทนั้นเสียงที่เอะอะลงเลงเป็นแจ๊กเรือแตกฝังสับสำเนียงไม่ได้เมื่อสักครู่ ของตอนชุลมูลจึงยุติลงลิสยังนอนเหมือนจะพักอยู่ตรงนั้นอย่างคนไม่อยากจะเอานิยมนิยายอะไรอีกแล้วสำหรับชีวิตตนเองอาการหลอนอยากหลับเต็มทีพอนลากไม่ผมท้องตัวยุ่งอยู่ในหัวใจของเขาขณะนี้ขึ้นมาได้ในสภาพที่ปลอดภัยระพินก็ขยายเงื่อนของบ่วงให้ใคลายออกแล้วม้วนเก็บเชือกอย่างไม่สนใจอะไรอีกนาเขาตึงเครียดเก็บเชือกเสร็จก็เดินพระจากที่นั่นลงมายัง ชานพักห่างลงไปเล็กน้อยตำแหน่งที่ทิ้งลายเฟินของตนเองไว้ก่อนจะแล่นขึ้นไปช่วยกู้สถานการณ์ร้ายปล่อยให้พักพวกของหล่อนเองเชิญวุฒเข้าไปกลุ่มรุมประคองพูดสอบถามอาการอะไรกันอยู่ตัวเขาลงนั่งบนแง่หินสะบัดหน้าอยู่ไปมาและควักบุหรี่ออกมาจุดสุกอัดควันหนักหน่วงครู่หนึ่งทั้งหมดก็ประคองคริสพากันตายย้อนกลับมายังตำแหน่งที่เขานั่งอยู่อันเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่คริสและเชิญวุฒจะตายขึ้นไปยังเส้นทางอันตรายนั้น ขณะ น, นี้พวกพรานพื้นเมืองของเขาและลูกหาที่ตีอ้อมไปทางด้านขวามือเลาะไปตามโขดหินซึ่งจะเป็นทางขึ้นที่สะดวกกว่าแม้จะอ้อมหน่อยได้รับหายไปหมดแล้วโดยแนวบางของก้อนหินไม่มีใครของพวกนั้นเห็นเหตุการณ์อันน่าวาดเสียวของด้านนี้เลยเขานั่งนิ่งไม่ขยับเคยื่อนหรือสนใจว่าใครจะพูดอะไรทั้งสิ้นอ่อนแรงพริ ย, ยใจและหนักอึ้งในสมองสุดที่จะพา น, นาได้ ใครคนหนึ่งวางฝ่ามือแผ่วเบาลงบนไหล่เขาพร้อมกับบอกเบาๆว่าไปเดินต่อผู้นั้นคืออิสซาเบลน้ำเสียงของหล่อนอ่อนนุ่มอย่างเข้าใจความรู้สึกของเขาดีพวกคุณล่วงหน้าไปก่อนเถอะเขาพูดเสียงแห้งพระโดยไม่มองหน้าใครสักคนที่มาอยู่ใกล้ๆตัวขณะ น, นี้อ้อมขวามือเลาะโคนหินตามหลังพวกพรานของผมไปแล้วไปพักกันอยู่ที่เชิงหน้าผาสูงนั่นก่อน เดี๋ยวผมจะตามขึ้นเองขอนั่งพักเหนื่อยก่อนผมเหนื่อยเหลือเกินไม่มีใครกล้าต่อแยนอกจากพูดอะไรกันเองซุบซิบพึมพำแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการพูดกันอย่างเข้าใจได้ง่ายที่สุดเป็นครั้งแรกระหว่างที่เราพินช้นิ้วดึงดั้งจมูกก้มหน้าหลับตานิ่งอยู่นั้นเขารู้สึกว่าคนกลุ่มนั้นพากันเลื่อนตัวไปตามคำสั่งของเขาโดยดีแต่พอลืมตาขึ้นก็หาได้เป็นอย่างที่คิดไว้ไหม ทุกคนเดินกันไปหมดแล้วตามเส้นทางของพวกลูกคหาแต่ใครอีกคนหนึ่งครึ่งนั่งครึ่งเอนหลังพิงอยู่ไม่หาเขาออกไปนะก็แค่สองสวาวัเท่านั้นปริสตินาไม่มีแม้แต่เชิญรุษที่จะอยู่เป็นเพื่อนด้วยคงทิ้งหล่อนไว้กับเขาเฉพาะตามลําพังเหมือนจะเจตนาเช่นั้นผมบอกให้พวกคุณทุกคนตามลูกหาขึ้นไปที่คุณยังมานั่งทําอะไรอยู่นี่ฉันไม่มีสิทธิ์เหนื่อยไม่มีสิทธิ์จะนั่งพักอย่างคุณบ้างหรือ หลอนพูดโดยไม่หันมาทางเขาเช่นกันแล้วหัวหน้าของคุณคีตเบลกระเชิดบุดละ่ะเข้าไปกันแล้วตามคําสั่งของคุณทําไมเขาไม่หิ้วคุณขึ้นไปด้วยเพราะคุณไม่มีแรงเดินอาจเป็นเจตนาที่จะทิ้งฉันไว้ให้คุณได้ด่าฉันได้อย่างเต็มที่กระมังผมมีอะไรที่จะต้องด่าคุณประพินกระชากหางเสียงถ้าไม่มีก็ขอบใจถ้ามีก็พร้อมที่จะรับฟังด่าฉันจิถ้าคุณอยากด่า รพินแย้มริมฝีปากจนเห็นไรฟันลักษณะนั้นดูเหมือนแยกเขี้ยวมากกว่ายิ้มจ้องมองดูร่างงามทางด้านหลังที่นั่งหลับตาพิงหินอยู่ถ้าไม่คิดสักนิดเดียวว่าเหตุการณ์เมื่อครู่จะทําให้เชิดวุฒต้องพลอยหล่นลงไปแลกกับคุณด้วยแล้วก็มจะปล่อยคุณให้หล่นลงไปคนเดียวฉันรู้และฉันก็เข้าใจดีด้วยในข้อนี้เขานิ่งหล่อนเฉยมีอาการเหมือนจะเข้าผวังหลับคริสในที่สุดความกระด้างของเขาก็จางลง อัดบุรีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขยี้ดับกับพื้นหินแล้วดีดกระเด็นหายแวบไปในหมู่หินน้อยใหญ่รอบตัวผมเสียใจถ้าผมรุนแรงอะไรกับคุณไปบ้างทั้งด้านกริยาและวาจา ท, ทั้งทั้งที่โดยแท้จริงแล้วคุณก็พยายามจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีของผมแล้วก็ยังเคยเสี่ยงชีวิตไตเชือกลงไปช่วยผมไว้ตอนที่ผมตกเหวรวมทั้งการช่วยรักษาพยาบาลโนหลอนทายหน้าช้าๆทั้งที่ยังหลับตาอยู่ ระหว่างคุณกับฉันเราไม่มีบุญคุณอะไรติดต่อกันหรอกเราต่างทำกันไปตามหน้าที่เท่านั้นคุณรู้ดีและฉันก็รู้ดีขอบอกอีกครั้งว่ะผมเสียใจคุณต้องเข้าใจด้วยวะบางขณะผมก็งหงุดหงิดเกลี้ยกล่อดโดยไม่มีเหตุผลคุณเข้าใจยังไงฉันแกล้งให้มันเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นโดยกล่าวชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันวิจห้คุณต้องมาลำบากเหนื่อยยากหรือช่วยเหลืองั้นหรือ จริงล่ะคุณร้องเตือนมาโดยทางวิทยุไม่ให้ฉันไต่ขึ้นไปทางดานที่ฉันเห็นว่าน่าจะเป็นทางลัดและเดินขึ้นไปได้ง่ายๆแต่คําเตือนของคุณมันช้าไปยังไม่ทันสิ้นเสียงสั่งของคุณอุปติวเหตุมันก็เกิดขึ้นเสก่อนแล้วเป็นอันว่าฉันผิดตลอดการในสายตาของคุณผมบอกแล้วว่าผมขอโทษเลืมมันเส็ดเถอะฉันชาชินแล้วกับความเกลียวกราดเทียมเกลียมของคุณจอมพลานขยี้ปลายจมูกและถอนใจ ย, ยาวเสียงของเขาเป็นปกติลง เบลไม่น่าจะให้ยาสะกดประเภททําให้ง่วงแก่คุณเลยในเส้นทางที่เรากําลังจะปีนเขาบ่ายวันนี้มันทําให้ประสาทของคุณเชื่องช้ามึนงงอยากนอนมากกว่าอย่างอื่นเป็นความเห็นในทางแพทย์ของเขากระมังคงเห็นว่าฉันกําลังจะบ้าพวกนั้นช่วยกันจับตัวฉันไว้เบลต่อยฉันจนหมดสติแล้วก็จับฉันฉีดยาตอนนั้นถ้าฉันยังรู้ตัวอยู่ฉันไม่ยอมให้เขาฉีดยาฉันอย่างเด็ดขาดหล่อนพูด และห่อไหล่ลงนิดหนึ่งเอามือเสยผมคุณกําลังจะบ้าและเบลนะ่ารือต่อยคุณจนหมดสติทุกคนลุมฉันคนเดียวมันระเบิดพรองออกมาลืมตาสีฟ้าสว่างจ้าขึ้นมาทันทีไม่ว่าใครทั้งนั้นช่วยกันจับฉันไว้ฉันคนเดียวจะไปสู้อะไรไหวและเบลก็ต่อยฉันใช่ฉันจําได้แล้วเบลเป็นคนต่อยคลางฉันจนหลับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะในตอนนั้น ช่างเถอะฉันลืมไปแล้วไม่อยากจะคิดถึงมันอีกพร้อมกับกล่าวเะนั้นหล่อนพยุงกายขึ้นยืนอย่างโผเพช่วยได้ปืนประจำมือออกเดินพระจากตำแหน่งนั้นไปอย่างง่ายง่ายไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นโดยตามรอยพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วอาการของหล่อนฉะนั้นทำให้เขาต้องรีบลุกขึ้นโดยเร็วแล้วไต่ทางขึ้นไปติดติมาทันกันที่โขดหินใหญ่ก้อนนึงอาการของคริสบอกชัดว่าอิดโรยจริงๆ รัพินคว้าต้นแขนไว้ได้วยอุ้งมือแข็งเต็ไมไปด้วยพลังของเขาชา้าๆคริสไม่ต้องรีบนักหลอกเอาแค่นี้อีกแค่นี้เองกรุณาเอามือออาจากแขนฉันได้ไหมคุณสุภาพบุรุษหางเสียงของหล่อนชาเย็นเป็นทางการมองหน้าเขาปราศจากอย่างปราศจากแววไว้ตัวรับพินกึ่งชุดกึ่งประคองนาเดินไปด้วยกันคุณกาลังไม่สบายคริสฉันไม่ได้เป็นอะไรปลอย เอาอวดดัสดีขณะนี้คุณอยู่ในความดูแลของผมแล้วเอาละเราเดินไปด้วยกันหมอเบลสั่งผมไว้ก่อนแล้วเหมือนกันว่าให้ผมทําหน้าที่คอยดูแลคุณไว้โดยเฉพาะในการปีนเขาครั้งนี้บิชหล่อนพลุสวั่าออกมาคํานึงเบาๆคุณไปคอยดูแลไม่นั่นเถอะไม่ต้องมาดูแลฉันและต่อไปนี้ไม่ว่าฉันจะเป็นอะไรคุณไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับฉันคุณยังไม่ทันจบประโยคหล่อนก็ทะลันหน้าขมําอีกพรานใหญ่คว้าเอาไว้ อ้อมแขนของเขาพายกระทบกลางทรวงอกของหล่อนยังจังที่สุดจะปล่อยก็ไม่ได้เพราะหน้าหล่อนทําท่าจะฟาดลงกับแง่หินที่ดักอยู่จึงต้องวางไรเฟินลงอีกครั้งและใช้มืออีกมือหนึ่งช่วยจับตัวขึ้นมาหล่อนพยายามทรงตัวเกาะแง่หินไว้แน่นด้วยมืออันสัน่นริกหน้าขาวซีดลักษณะเหมือนจะเป็นลมอากาศยามนั้นแม้จะระอุอ้าสักอย่างไดก็ตามแต่ตัวของหล่อนเย็นชืดข้อมือแตะที่หน้าผากและซอกคอ รู้สึกได้ทันทีในความผิดปกตินั้นเริ่มกระสับกระส่ายถามเร็วปรือไว้ไหมคริสไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันค่อยๆตายตามขึ้นตัเองหลอนบอกเขาด้วยเสียงแหบแผ่วพยายามจะฝืนยิ้มสูดลมหายใจลึกๆแต่ก็ค่อยๆรูดลงไปปุ๊บอยู่ริมหินนั่นเองประพินตกใจประคองเสี่ยงเข้าไปบังเงาแดดและตัดสินใจปลดวิทยุจากเอวขึ้นมาทันทีจากระพินเรียกทุกคนด่วนได้ยินมีหรืออะไรมีอะไรหรือ ยงหัวหน้าคณะเสา ส, สวนต่อมาทันทีขอแรงคิดกับเชิดวุฒิสักสองคนครับให้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยช่วยกันประคองคริดขึ้นไปทีลำพังผมคนเดียวไม่ไหวเพราะไรเฟือนอีกทั้งกระบอกบอกหมอเบลให้เตรียมเครื่องผดผพยาบาลไว้ด้วยคริสไม่สบายรู้สึกว่าจะมากโอเคเดแต่เราลงไปเดี๋ยวนี้แหละดูคริสไว้ก่อนเสียงในคิดและเชิดวุฒิดางออมาแทบจะเป็นเวลาเดียวกันจากเครื่องวิทยุเพียงไม่กี่อิดใจหลังจากนั้นคิดกับเชิดวุฒิก็ปรากฏกายรับเตรียมหิน ขึ้นบังอยู่แะเกะละกะกันลงมาอย่างรีบร้อนทั้งสองมากันตัวเปล่าๆเครื่องหลังและไลายเฟิ่นประจําตัวไม่ได้ติดมาด้วยเพื่อไม่ให้เกะกะไม่เพียงแต่สองคนนั้นเท่านั้นเกิดกับเสซยอันเป็นพรานเด็กหนุ่มของเขาอีกสองคนซึ่งมีเรียวแรงอยู่ในเกณฑ์แข่งขันก็วิ่งตามติดมาด้วยกลายเป็น4ี่ชายชะกันไม่มีการซักถามอะไรกันอีกให้เสียเวลาทั้งสิ้นเมื่อต่างลงมาถึงตําแหน่งนั้นเห็นละพินนั่งประคองต้นคอคริสผู้มีดวงตารี่โรย กายอ่อนปวกเปียกอยู่ตัวเขาเองก็เหงื่อโทมเต็มหน้าโธ่ช่างเคอะไารซะจริ ง, รงๆวันนี้คริสเจอร์ุชครางเอามาเบาๆกับตัวเองด้วยความสงสารและชายชะกันสี่คนกับหญิงสาวเพียงคนเดียวแม้พื้นผิประเทศจะเป็นเนินขาวอันเทชันขึ้นไปก็หาได้มีอุปสรรคใดๆไม่ร่างของคริสถูกช่วยกันหามหัวหามท้ายและประคองกลางลำตัวแบกเล้ยวขึ้นไปอย่างรวดเร็วระพินโบกมือให นำลวงหน้าขึ้นไปก่อนตัวเขาเองก้มลงเก็บลเฟิลนของตนและเอ็มสหของคริสมาสาพไว้จากนั้นก็ไต่าทางตามขึ้นไปอย่างอิดโรยกระปรกกระเปียเช่นกันเมื่อพรานใหญ่ขึ้นมาถึงนั้นมันเป็นตำแหน่งที่เขากำหนดสั่งไว้นั่นเองว่าให้บุญคำนำพวกลูกมาพักรอคอยอยู่ก่อนเป็นเวิ้งใต้หน้าผาสูงตัดพันลิปล้วขึ้นไปเบื้องบนอณาบริเวณตีมเชิงนั้น เป็นพื้นราบและเว้าเข้าไปเหมือนปากถ้ำกว้างขวางพอที่จะอาศัยพักชั่วคราวได้แต่แห้งแรงไปด้วยก้อนหินแทบจะหาพืชพันธุ์ใดๆไม่พบเลยตำแหน่งนี้แหละที่ความตั้งใจเดิมของรพินจะให้มารวมตัวหยุดพักกันชั่วคราวก่อนที่จะไต่หน้าผาชันกันต่อไปเพื่อตัดขึ้นสู่เบื้องสูงของเขาใหญ่ด้านบนพุกคนรอคอยกันอยู่เป็นกลุ่มในเงาร่มของชะงอนหินบาง และร่างของคริสก็ถูกนำมาวางราบกับพื้นที่ปูไว้ด้วยผ้าพลาสติกหมอเบลและหัวหน้าคณะกำลังสารวนอยู่กับการตรวจสอบอาการเครื่องเวชภัณฑ์วางอยู่ข้างๆพร้อมแล้วเสียงพูดกันซุบซิบเร็วปรือะกำลังวุ่นอยู่กับงานปฐมพยาบาลด็อกเตอร์แตนลีย์ตรวจจับชีพจรเบลใช้หูฟังของแพทย์กดไปตามหน้าอกโดยเปิดเสื้อเปิดดุมเสื้อแหวกออกเท่าที่จาเป็น แล้วก็วัดระดับความดันของโลหิตทั้งหมดประสานงานกันอย่างกุรีกุจอีแคลงครองยิ่งประพินเดินยิ้วปืนเข้ามาถึงและยืนเช็ดเหงื่อมองดูอยู่ร่างของคริสหายเหยียดยาวอยู่กับพื้นมีแจ็กเก็ตหนังพับสองทบรองผ้าศีรษะอยู่ในตาของหลอนลีลีหลับๆ ล, บ ล, บ ล, บลมหายใจอ่อนระทวยห้าหกนาทีที่พวกเราพระขึ้นมาก่อนคริสอยู่กับคุณครั้งแรกก็ชวนให้ขึ้นมาด้วยกัน แต่เขาบอกว่าขอพักสักครู่พวกเราเห็น ค, คุณยังนั่งอยู่ด้วยก็เลยขึ้นมาก่อนแล้วนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ถามโดยเร็วประพินย่อนกายลงนั่งอย่างหมดแรงเหยียดขาออกไปวางปืนทั้งสองกระบอกลงทีแรกผมก็ไม่รู้ว่ายังเหลือคริสนั่งอยู่ที่นั่นอีกคนเงยหน้าขึ้นจึงพบสังเกตดูจะ ง, ง่วงและอ่อนเ พ, พียผิดสังเกตไปมากเข้าใจว่าจะเกิดจากการผจญหนักในวันนี้ประกอบกับที่หมอเบลให้ยาระงับประสาทไว้ด้วย เลยทําให้ง่วงจัดเขาบอกทุกคนด้วยน้ําเสียงแหบเหืดป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อที่กําลังจะย้อยเข้าตาอีกครั้งแล้วเองกายพิงหินด้านหลังเป่าลมยาออกจากปากลงไปในอกเสื้อผมชวนขึ้นมาบนนี้เพื่อจะสมทบกับพวกเราเสียโดยเร็วพยายามประคองไว้แต่คริสไม่ ย, ยอมจะเดินขึ้นมาเองให้ได้แล้วก็ล้มอีกเกือบหน้าฟาดหินลักษณะหน้ามืดเป็นลมผมเองคงแบกขึ้นมาไม่ไหวแน่เลยวิทยุบอกขึ้นมา มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไม้มเป็นต้นว่าล้มลงไปฟ้าดอะไรช่วงระหว่างนั้นมีแมลงพิษอะไรกัดต่อยฉันพยายามตรวจแล้วไม่พบถามอะไรเขาก็ยังไม่ตอบเบลถามเร็วหรือรับรองว่าไม่มีนอกจากอาการที่ส่วนเสจะล้มเท่านั้นซึ่งผมก็รับทานก่อนจะฟาดหินอย่างที่บอกแล้วผมว่าเป็นความผิดของพวกคุณเองโดยเฉพาะหมอเบลที่ให้ยาระงับประสาทอย่างแรงกับคริส ท, ท, ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องปีนเขาหนะักและเสียงอันตรายที่สุดในบ่ายวันนี้ เอาละฉันยอมรับผิดในข้อนั้นแม่ผมแดงโบกมือบอกมอห้วนห้วนแต่เราก็มีเหตุผลของเราในขณะที่ให้ยาคริสตอ้นั้นตามปกติแล้วคริสเป็นคนแข็งแรงที่สุดอย่างที่คุณก็รู้แล้วเรื่องบอกป่าฝ่าดงปี น, ขนเขาเนื้อเขาร่องกว่าทุกคนในคณะของพวกเราพอรับว่าเป็นเพราะฤทธิ์ยาที่ฉันให้ไว้ทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างเมื่อครู่นี้และหมดแรงที่จะเดินต่อมีอาการไข้บ้างเล็กน้อยเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง ให้เวลาคริสนอนพักสักสามสี่ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยขึ้นเองคุณมีอะไรขัดข้องไหมที่เขาจะต้องนอนพักก่อนเพราะตอนนี้เขาขึ้นไปไม่ไหวแน่จอมพลานเสยปีกหมวกขึ้นไปกองอยู่กลางศีรษะแล้วเปิดกระติกน้าออกจิบนิดหนึ่งทางด้านผมนะไม่มีอะไรขัดข้องหรอกเพราะอย่างเดียวให้พวกคุณปลอดภัยไว้ก่อนก็แล้วกันจะว่าแต่คนป่วยหรือคนหมดแรงง่วงนอนเลยดูโนนก็บุยป่าขึ้นไปหน้าผาช่งลื่อมในรศีรษะทุกคน เราจะต้องไต่หน้าผานี้ขึ้นไปในสภาพของนักปีนเขาอาชีพต้องให้คุณกำลังดีแข็งแรงสักขนาดไหนก็ตามมีหวังล่นลงมาได้ทุกขณะหากพลาดแม้แต่นิดเดียวสังเกตดุพวกคุณทุกคนก็เหนื่อยกันเหลือเกินแล้วถ้าจำเป็นจริงๆเราต้องยอมเสียเวลาอีกคืนยึดที่พักกันตรงนี้ลำบากหน่อยจะปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนนิ่งฟังเขาแล้วเบว่าหันไปจัดการกับคริสโดยไม่รอช้ายาฉีดบางชนิดปักเข้าไปอีกแดนลี่ ยีตและเชิดบุตมองมาที่เขาเป็นตาเดียวตกลงละพินเราเห็นจะต้องยอมเสียเวลากันอยู่ที่นี่ตลอดคืนแล้วละ่ะบอกที่จะฟื้นตัวก็อีกหลายชั่วโมงประเดี๋ยวเขาจะจับเครื่องสนิทพักผ่อนไปเลยและกว่าจะตื่นขึ้นมาก็คงใกล้ค่ําซึ่งตอนนั้นไม่ใช่เวลาที่เราจะเสี่ยงปีนขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจะอย่างไรเสียการคืบหน้าต่อก็ต้องเป็นพรุ่ง น, นี้อยู่ดีก็น่าเสียดายที่วันนี้เราใช้เวลาเดินทางกันจริงๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ช่วยไม่ได้เลยมันเหตุการณ์สุดวิสัยเราจะไม่โทษว่าเป็นความผิดของใครทั้งสิ้นคุณเองเกือบถูกไฟในทุ่งข้างล่างเผาทั้งเป็นพริสเกือบตกเขาลงไปแหลกและไม่สบายอยู่นี่มันเป็นอุปัตัวเหตุทั้งนั้นและว่าที่จริงพวกเราทุกคนก็ล้วนสะบักสะบอมต่อเหตุการณ์กันทั้งนั้นในฐานะหัวหน้ า, นาคณะคําสั่งของผมก็คือพัก กระพินพยักหน้าดีดนิ้วไปทางพวกพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายออกคำสั่งให้เตรียมที่พักทันทีแล้วตัวเองก็ถลายเหยียดยาวลงไปอีกนอนราบลงกับพื้นศีรษะพาดแง่หินตรงตำแหน่งนั้นลุกปีกหมวกลงมาปิดหน้ามือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนอกทำท่าจะหลับไปอย่างง่ายๆเหมือนกันริสตินาสงบไปแล้วนอนคงถูกสะกดให้หลับไปในบัดนั้น มีเสียงพึมพำสนทนาหาหรือของอเมริกันทั้งสามแผ่วเบาเสียงการเคลื่อนไหวเตรียมจัดที่พักของพวกลูกคหาแล้วใครคนนึงก็เข้ามาคลุกเขออยู่ใกล้ๆเขาคุณเองละ่ะไม่สบายหรือเปล่าเสียงถามมาเบาๆหอมเบลนั่นเองไม่เพียงแต่ถามหล่อนยังเลิกหมวกที่หลบหน้าขึ้นเพื่อให้เห็นหน้ารพิน์ตอบเรียบเบาแต่ปราศจากหางเสียงว่าไม่ขอบคุณอย่ากังวลกับผมเลย โกโรธอะไรพวกเราอีกหรือเปล่าเขาโบกมือปัดหน้าตัวเองอย่างลำคาญ no แล้วก็ลืมตาขึ้นมองหน้าหมอเบลผู้กำลังก้มลงมามองใกล้ๆถ้าคริสตกเขาตายในวันนี้ก็ขอให้รู้ด้วยว่าคุณเป็นต้นเหตุไม่ควรจะให้ยาที่ทำให้ง่วงเลยถ้าคริสตกเขาตายในวันนี้คุณนั่นแหละเป็นต้นเหตุหลอนย้อนทำเขายัางฉับพลัน มือตกมาที่สวงอกองเบค่อนข้างแรงขณะที่เรารอคุณอยู่ที่เชิงเขาเหนือทุ่งหญ้านั่นคุณไม่ให้สัญญาณอะไรให้เรารู้เลยคุณรอดปลอดภัยและไปดักหน้ารอคอยเราอยู่ก่อนแล้วและเมื่อตอนมาพบกันจําได้ไหมลิสบอกว่าง่วงนอนแต่คุณก็เป็นคนไปเร่งเราเขาเองซ้าครูอีกด้วยว่าถ้าเขานอนอยู่ตรงนั้นเขาจะถูกทิ้งลิสถูกพวกเราภายใต้การเข้มงวดเร่งเราของคุณบงังเกิดให้เขาไต่ขึ้นมา โดยไม่เปิดโอกาสให้หยุดเลยเอาละเป็นความผิดของผมก็แล้วกันจะได้มีจำเลยเสียจะทีในเหตุการณ์วันนี้ผมเป็นคนเผาทุ่งหญ้าเป็นคนทําให้ทุกคนเกือบถูกไฟครอบกายแล้วก็เป็นคนที่ทําให้คริสต์ต้องเกือบตกเขาจนกระทั่งกลายมาเป็นไม่สบายอยู่ในขณะนี้เขาพูดกระชากกระชากรูปไปหมวกบังหน้าลงตามเดิม ปรุณาไปให้ง่างผมได้แล้วเบลมหาโหดมหาหินไม่มีใครเกินคนชื่อละพินไพรวันในโลกนี้ลิสเคยบอกฉันแล้วแต่ฉันไม่เชื่ออิสเบลกระซิบลอดลายฟันออกมา Live me a l มี e Don't you อย่ามีกินตะหวาดลั่นออกมาบูชิดเบลสบดลุกขึ้นแลวใช้ปลายบูธของหลอนเตะเข้าไปที่หน้าแข้ ง, ขงเขา ที่จะค้อนประลับประเลือกเดินสะบัดหน้ามาทันทีประพินนอนเฉยอยู่เช่นนั้นเธอไปยุ่งอะไรกับเขาหัวหน้าคณะถามเมื่อเบลเดินหน้างอสุดตัวลงกระแทกกายนั่งรวมกลุ่มคนคนนั้นหล่อนที้มือไปอยังล่างแก่งที่นอนสงบอยู่มุมหนึ่งเป็นอะไรลงไปอีกฉันจะไม่รักษาเขาแล้วบอกให้ทุกคนรู้ไว้ด้วยเธอมันบ้าเองที่ไปตอแยแยคนที่มีอาการของโรคจิศศตประสาทอย่างแรง จะเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเราพินพิการทางใจนับตั้งแต่วันแรกเขารู้ตัวว่าจะต้องเดินทางมากับพวกเราแล้วและอาการชนิดนั้นก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีนับวันเวลาที่ผ่านไปมหน้าคณะของหล่อนพูดแผ่วเบาอย่างคนที่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดถ้าไม่เดินต่อก็นอนพักกันดีกว่าฉันก็แย่เหมือนกันวันนี้แต่คิดว่าเอ็นหลังลงพร้อมกับชุดแขนเวลให้นอนลงข้างๆด้วย แต่ลอนปัดมือหันไปสะบดดาอย่างหมุดหงิดแล้วคลานเข้าไปดูอาการของเพื่อนสาวซึ่งบัด น, นี้นอนหลับไปแล้วอย่างชนิดที่เรียกว่าวิวคาเทิดวุฒอยากจะเรียบเคียงเข้าไปหาโอกาสคุยกับพลานใหญ่ด้วยก็เลยพลอยไม่กล้าตัวเองก็ลงนอนเอาแรงเหมือนกันเพราะเหนื่อยและตื่นเต้นเต็มทนไม่น้อยไปกว่าคนอื่นรับกินเริ่มเข้าราวัง ลมบนพัดโชยกระทบแง่หินดังอยู่หวีดหวือตะวันโรยแสงอ่อนลงนกเขาใหญ่ตัวหนึ่งจากยอดของหมู่โขดหินแห่งใดแห่งหนึ่งใกล้หรือไกลเพียงใดไม่ทราบขันคูมาจูฮูหุกกรูเขาขูพร่ำควรจูฮหูฮุกก ร, เ ร, กกรูเจ้าร่างหนวนโศกสวนซบเศราเขาเจ้าเอ่ย อย่าเลยร้องทำนองเศร้าฉันฟังแล้วฟังเล่าเสียงมันเข้าไปคว้านสูงแงซทายวานช่วยบอกนายหญิงของแกด้วยว่าฉันยังรักเธออยู่ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือสิ้นลมหายใจไปแล้วและยามนี้คิดถึงใจจะขาดินฟี ป, ปากของเขาขมุบขมิดเหมือนจะละเมอออกมากับตนเองตกลง จะเอาคําของผู้กองประโยคนี้ฝากลงไปบอกความแก่นายหญิงให้มีเสียงสนองตอบมาในโสดส่วนลึกของเขา